บวดไม่เสร็จเลยนะน เ, น เ, นเดี๋ยวมีดวงตาเห็นทำก็ไม่เสร็จนะอันนี้ก็มีงานบวชที่วัดมีคนบวชประมาณยี่สิบรูปศรัทธาบวชกันศรัทธาแบบไหนก็ ไม่ไม่แน่มีหลายแบบที่ศรัทธาบวชตามธรรมเนียมเป็นประเพณีของชาวไทยพุทธถ้าเป็นผู้ชายอายุครบ20สก็บวชทดแทนบุญคุณให้กับบิดามารดาถ้าบวชแบบศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็บวชแบบไปเรื่อยๆไม่มีกำหนดจะศึก บวชเพื่อให้บรรลุธรรมเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ให้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าบวชแบบนี้เรียกว่าบวชแท้บวชจริงบวช ด, ด้วยการเห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดว่าพวกเรานี้เวียนว่ายตายเกิดอยู่มาอยู่อยู่เรื่อยอยู่ มานานแล้วเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็มาเกิดถ้าไม่ได้บวชไม่ได้พบพระพุทธศาสนาไม่ได้หยุดเหตุที่ทำให้มาเกิดก็จะต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆการบวชแบบศรัทธาบวชเพราะเห็นไัยในการเวียนว่ายตายเกิดนี้มีน้อย ส่วนใหญ่ก็บวชตามประเพณีกันทดแทนบุญคุณที่ทดแทนก็เพราะว่าจะทำให้พ่อแม่ได้มีโอกาสมาวัดบ่อยขึ้นเวลาลูกบวชพ่อแม่ก็คิดถึงลูกห่วงลูกก็ต้องมาวัดมาเยี่ยมมาทำบุญมาใส่บาตร พอมาวัดมาทำบุญใส่บายก็เลยได้ของแถมมีการแสดงรรมเทศนาออก็จะได้ฟังได้ยินได้ฟังทำแล้วฟังแล้วก็อาจจะเกิดศรัทธาเพราะเมื่อก่อนไม่มีโอกาสได้ฟังหมวดแต่ทามาหาเงินหาทองเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัว เวลาที่จะมาวัดมาทำบุญมาฟังเทศฟังธรรมเลยไม่มีแต่พอลูกมาบวชอยู่ที่วัดก็เลยต้องหาเวลามาเพราะความรักความห่วงลูกอันนี้ก็เป็นการทดแทนบุญคุณของลูกเพราะถ้าลูกไม่มาบวชพ่อแม่ก็จะไม่ได้มาวัด พ่อแม่ก็จะไม่ได้เรียนรู้พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าก็จะไม่รู้เรื่องบาปบุญเรื่องนวโกเรื่องสวรรค์เรื่องเรียนว่า้ตายเกิดอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องงมงายแต่พอมาฟังแล้วก็มีพระมีคนยืนยันว่านี่เป็นความจริงเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี้เป็นคนมีเนื้อมีหนังเหมือนพวกเรา มีประวัติสามารถที่จะย้อนไปดูได้สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นเรื่องจริงมีการจารึกไว้ในในหนังสือในประวัติศาสตร์ถ้าเราไม่ได้ศึกษาเราก็อาจจะคิดว่าเป็นคำาล่มลือเป็นเป็นเรื่องนิยายไป ก็เลยทำให้เราไม่สนใจไม่เชื่อก็ได้เพราะเรื่องบาปบุญเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดนี่มันมองมองไม่เห็นถ้าไม่ใช้คการวิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผลล้วนะศรัทธาหรือถ้าไม่ได้ปฏิบัติธรรมัะไม่เห็น แต่ถ้าได้ปฏิบัติทราแล้วจะเห็นสิ่งต่างๆที่เรายังไม่เห็นกันแต่ก่อนจะปฏิบัติทราเราก็ต้องได้ยินได้ฟังก่อนฟังแล้วก็อาจจะทำให้เราอยากพิสูจน์อยากเห็นเหมือนกับที่คนอื่นได้เห็นคือเหมือนกับที่พระพุทธเจ้ากับพระสาวกทั้งหลายได้เห็นมันก็จะทำให้เราอยากจะลองปฏิบัติเดืออยากจะพิสูจน์ดือ นี่เป็นการทดแทนบุญคุณของลูกที่ดีที่สุดเพราะว่าทำให้พ่อแม่อาจจะมีโอกาสบรรลุธรรมมีดวงตาเห็นธรรมได้เป็นพระอริยเจ้าได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดดีกว่าที่จะเลี้ยงดูพ่อแม่ไปจนวันตาย ก็เลี้ยงได้เพียงแต่ทางร่างกายของพ่อแม่ช่วยได้แต่ทางร่างกายของพ่อแม่ถ้าไม่ได้มาบวชถ้าไม่ได ma ้มาบวชอยู่อยู่บ้านทํางานหาเงินหาทองแล้วก็เลี้ยงดูพ่อแม่เวลาพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยเวลาพ่อแม่ชราไม่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ก็ช่วยได้เพียงแต่ทางร่างกายแต่ทางจิตใจนี้ ก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะจิตใจมันต้องช่วยด้วยธรรมะต้องเป็นเรื่องของอัตตาหิอัตโนนาถจิตใจของแต่ละคนนี่ต้องตนเองเป็นผู้รักษาเป็นผู้ช่วยช่วยให้อะไรก็ช่วยให้พ้นจากความทุกข์ต่างๆจิตใจของพวกเราทุกคนนี่มีความทุกข์อยู่เรื่อย ร่างกายของพวกเรานี้เราดูแลกันได้เรารู้จักดูแลกันทําให้ร่างกายเราไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่ร่างกายเราสุขสบายแต่ใจของเรานี้แต่ละวันรู้สึกว่าจะไม่สุขสบายเหมือนร่างกายเดี๋ยวไม่ทุกข์กับเรื่องนั้นก็ต้องทุกข์กับเรื่องนี้ไม่ทุกข์กับเรื่องนี้ก็ไปทุกข์กับโลกนู้นคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันมีเรื่องให้ทุกข์ตลอดเวลาเพราะเราไม่รู้จักวิธี ทำให้มันไม่ทุกข์นั่นเองเรารู้แต่วิธีสร้างทุกข์แต่เราไม่รู้จักวิธีดับทุกข์กันถ้าไม่ได้มาพบกับธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่จะไม่มีวันที่จะรู้วิธีดับความทุกข์ได้เลยต่อให้ร่ำรวยขนาดไหนก็ตามต่อให้เป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนก็ตามความทุกข์ก็ยังจะมีเหมือนเดิมหรือมากกว่าเดิมเสียอีก ถ้าไม่มีธรรมะแล้วจะไม่รู้จักวิธีดับความทุกข์จะรู้แต่วิธีสร้างความทุกข์โดยที่ไม่รู้ว่ากําลังสร้างความทุกข์อยูอ่เวลาเกิดความทุกข์ก็ไม่รู้ว่าตนเองเป็นผู้สร้างความทุกข์ให้กับตนเองนี่คือปัญหาของจิตใจของพวกเราทุกคนของพ่อของแม่แต่ถ้าลูกมาบวชลูกก็ได้โอกาสได้ศึกษาพราะธรรมด้วย แล้วก็สามารถดึงพ่อแม่ให้มาศึกษาด้วยที่เขาเรียกว่าเกาะชายผ้าเหลืองพอพระบวชแล้วพ่อแม่ก็สายชายผ้าเหลืองคือเมื่อพระเมื่อลูกเป็นพระแล้วก็ต้องมาหาพระมาทําบุญเอาอาหารเอาเท้าวของมาถวายกับลูกพระลูกเพราะเป็นห่วงไม่อยากให้พระลูกอดอยากขาดแคลนเพราะเป็นพระนี้ หาหาข้าวของเองไม่ได้ซื้อข้าวซื้อของเองไม่ได้ต้องอาศัยผู้ที่มีจิตศรัทธาผู้ที่ใจบุญใจบุญศรหามาให้ก็เลยเป็นเหตุที่ทาให้พ่อแม่ต้องมาวัดบ่อยบ่อยขึ้นพอมาวัดก็อย่างเนี้ยพอถ้ามาที่นี่ก็ได้ยินได้ฟังเรื่องราวของธรรมะเรื่องราวของจิตใจ ที่พวกเราจะไม่ค่อยรู้จักกันเรารู้จักแต่เรื่องของร่างกายเรารู้จักวิธีดูแลรักษาร่างกายของเราให้สุขสบายไม่ให้ทุกเวลาไม่สบายก็มีวิธีรักษามียามีหมอมีโรงพยาบาลเวลาหิวก็มีอาหารให้รับประทานเวลาฝนตกแดดออกก็มีที่หลบ มีที่หลบภัยมีบ้านให้อยู่เรารู้เรื่องของการเลี้ยงดูร่างกายเป็นอย่างดีร่างกายเราจึงไม่ค่อยมีความทุกข์กันแต่ใจของเรานี่กลับจะมีความทุกข์เกือบทุกวันไม่ทุกเรื่องนั้นก็ทุกเรื่องนี้ทุกบ้างทุกน้อยบางทีถ้าทุกบ้างมากก็ถึงกับ ไม่มีกรจิตกระใจที่อยากจะไปทําอะไรแต่ถ้าทุกข์น้อยๆก็พออดทนอดกั้นสู้กันไปเพราะเราไม่รู้จักวิธีรักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์เพราะเราไม่มีธรรมะคําสอนของพอพระพุทธเจ้าดังนั้นการที่เราสามารถดึงให้พ่อแม่มาพบกับธรรมะได้นี้ก็ เป็นเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะจะทำให้พ่อแม่มีโอกาสได้ศึกษาธรรมได้รู้จากวิธีแก้ปัญหาความทุกข์ใจต่างๆแก้ปัญหาใจดับความทุกข์ใจได้จนกระทั่งถึงขั้นสูงสุดเลยขั้นแบบว่าไม่มีความทุกข์เหลืออยู่เลย อันนี้เกิดจากการบวชของลูกถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้บวชบรรดาพ่อแม่ญาติพี่น้องของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีใครจะได้บรรลุ ธ, ธรรมได้หลุดพ้นจากความทุกข์กันแต่พอพระพุทธเจ้าออกบวชแล้วหลังจากที่ได้บรรลุ ธ, ธรรมได้หลุดพ้นจากความทุกข์ท่านก็มาสอนผู้ที่ไม่รู้ให้รู้จักวิธีปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ นี่เกิดเป้าหมายของของของการทำทดแทนบุญคุณของแม่พาะให้แก่พ่อแม่พระพุทธเจ้าบอกว่าทดแทนบุญคุณของพ่อแม่ทางร่างกายนี้ยังยังทดแทนไม่หมดบุญคุณต่อให้เราเลี้ยงดูพ่อแม่ดีขนาดไหนจนท่านตายไปบุญคุณที่ท่านมีกับเรานี้ก็ยังยังไม่หมดถ้าอยากจะให้บุญคุณหมดนี้เราต้อง ให้พ่อแม่มีดวงตาเห็นธรรมให้พ่อแม่มีธรรมะรักษาใจทาให้ใจไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปอันนี้ต้องมีธรรมะยั้นการมาบวชนี้ก็เป็นอุบายที่จะให้พ่อแม่ได้มีเวลาเข้าหาธรรมะมาฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วพอฟังแล้วก็จะเกิดศรัทธา อยากที่จะปฏิบัติบางทีลูกศึกไปแล้วพ่อแม่ก็ยังมาวัดต่อเพราะเห็นประโยชน์จากการมาวัดเห็นประโยชน์จากการมาทำบุญรักษาศีลเห็นประโยชน์จากการฟังเทศฟังธรรมถึงแม้ตัวลูกเองศึกไปแล้วไม่เคยเข้าวัดเลยแต่พ่อแม่นี้ยังกลับมาเป็นประจามีพ่อแม่อยู่คู่หนึ่ง เมื่อก่อนก็ไม่เคยเข้าวัดมัวแต่ทํางานทําการพอลูกมาบวชก็เลยมาวัดทั้งพรรษาเลยมาทุกทุกวันพระพอวันพระก็ต้องมาวัดละมามาเยี่ยมลูกมาเอาข้าวเอาของอะไรมาให้ลูกแล้วก็ได้ได้ฟังเทศฟังธรรมได้เข้าใจว่าการทําบุญมีประโยชน์อย่างไรการทํำบาปนี้มีโทษอย่างไร เริ่มเข้าใจเริ่มเห็นพอเริ่มได้ยินเรื่องของจิตใจเมื่อก่อนนี้ไม่รู้ว่าเรามีจิตใจเราคิดว่าจิตใจนี้เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายถ้าร่างกายสบายจิตใจมันก็ต้องสบายด้วยแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นถ้าเราสังเกตดูร่างกายเราบางทีสบายแต่ใจเราไม่สบายกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่เราไม่รู้เราก็ คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเป็นเรื่องปกติที่จะต้องไม่สบายกันเหมือนกับร่างกายแต่ความไม่สบายใจของเรานี้มันเป็นเรื่องไม่ปกติเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะกำจับได้อันนี้ก็จะเห็นคุณค่าของการมาวัดมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาฝึกไหว้พระไหว้พระสวดมนต์ บริกรรมพุทธโธนั่งสมาธิพอลองทำดูก็ยิ่งเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าเห็นความสงบเห็นความสุขของจิตใจมีเพิ่มมากขึ้นใจเย็นมากขึ้นความโลบโมโทโทสันความร่มร้อนจิตใจก็น้อยลงก็เลยติดใจทีนี้ลูกศึกไปแล้วก็ก็ยังมาอยู่ลูกนานๆจะมาสักทีนึง พอเดีลูกไปเรียนต่อที่เมืองนอกจบเมืองนอกก็อยู่ทํางานที่เมืองนอกปีสองพีจะได้กลับมาเยี่ยมพ่อแม่สักครั้งก็จะมาวัดสักครั้งหนึ่งแต่ตัวพ่อแม่นี้มาประจำเลยยิ่งตอนนี้กเกษียณราชการแล้วยิ่งมาบ่อยนัยก่อนมาแค่อาทิตย์ละครั้งพอกเกษียณราชการนี้มาอาทิตย์ละสามสี่ครั้งวันไหนมีแสดงธรรมต้องมา ที่วัดนี้ตอนเช้าจะมีแสดงธรรมตอนเช้าอาทิตย์ละสามสามครั้งสามวันวันพระวันเสาร์กับวันอาทิตย์เขาก็จะมากันส่วนบนเขานี้เขาไม่รู้บางทีเขาไม่รู้ว่ามีการแสดงธรรมบนเขาเดี๋ยวนี้บนเขานี้ก็มีแสดงธรรมทุกวันเมื่อก่อนนี้ก็จะมีแต่เฉพาะกิจ ถ้ามีใครมาหาก็จะพูดคุยกันถ้ามีมากก็จะแสดงธรรมให้ฟังแต่พอเดี๋ยวนี้มีการนําเอาเครื่องไม้เครื่องมืมาถ่ายทอดสดกันก็มีคนมากันทุกวันมาก็เลยต้องพูดธรรมะกันแสดงธรรมให้ฟังกันดังเดี๋ยวนี้ ที่นี่ก็เลยเป็นที่มีการแสดงธรรมทุกวันตั้งแต่บ่ายสองโงไปธรรมก็มีหลากหลายสุดแท้แต่จะคิดอะไรได้จะนึกอะไรได้ก็พูดไปวันนี้ก็พูดเรื่องบวชกันพอดีพราะมีเหตุการณ์มีการบวชกันพอเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็ถึงเวลาเข้าพรรษา ตาธมธรรมเนียมเขาจะบวชก่อนเข้าพรรษาแล้วก็จะบวชอยู่การตลอดพรรษาคือระยะสามเดือนช่วงระยะสามเดือนนี้เขาก็จะไม่มีพิธีบวชกันเพราะเขาหนึ่งที่มันดที่มันเต็มคนมาบวชมันจ ะ, จะมาบวชในช่วงเข้าพรรษากันงนั้นกุฏิที่อยู่อาศัยนี้มันจะเต็มหมด ก็เลยจะไม่มีการบวชในช่วงเข้าพรรษาแล้วก็จะไม่มีการศึกเพราะถ้าถือว่าศึกก็ถือว่าเป็นการแหกพรรษาเป็นการสอบตกคือเรียนไม่จบเข้าโรงเรียนได้ไม่กี่วันก็ลาออกไม่เรียนต่อเพราะการบวชก็คือการเรียนนั่นเองบวชเรียนการมาบวชนี่ก็เพื่อมาเรียนพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อที่จะได้รู้เรื่องที่เราไม่รู้กันมาก่อนไม่รู้เรื่องบุญเรื่องบาปไม่รู้เรื่องผลของบุญผลบาปผลบุญก็คือสวรรค์ผลบาปก็คือนรกไม่รู้ว่ามีจริงหรือไม่มีจริงไม่รู้ว่านารกสวรรค์อยู่ที่ไหนเพราะเมื่อก่อนก็คิดว่าสวรรค์อยู่บนท้องฟ้า พอเดี๋ยวนี้เขาส่งเครื่องดินขึ้นไปบนท้องฟ้าส่งจรวจขึ้นไปบนท้องฟ้าก็าหาไม่มีไม่มีสวรรค์ถ้าคิดว่าอยู่ในในดินเขาก็เจาะน้ําเจาะน้ํามันก็เจาะลงไปก็เจอแต่น้ํามันเอาเรือดําน้ําลงไปก็ไม่มีนรกไม่มีอยู่ใต้น้ําไม่มีอยใใต้ดินก็เลยไม่รู้ว่านารกสวรรค์ น, นี้มันอยู่ที่ไหนกัน นี่ก็เป็นเพราะไม่ได้เข้าวัดไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมจริงๆไม่ได้ศึกษาจริงๆว่านาลกสวรรค์อยู่ที่ไหนกันถ้ามาศึกษาแล้วก็จะรู้ว่านารกสวรรค์ก็อยู่ที่ใจเนี่ยแล้วใจอยู่ที่ไหนอันนี้ก็ไม่รู้อีกใจไม่ได้อยู่ในร่างกายแต่มาเกี่ยวข้องกับร่างกายใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆเวลาสั่งด้วยความคิดเนี่ ผู้คิดนี้ไม่ใช่ร่างกายเนี่ยถ้าเราไม่ได้มาฟังธรรมเราจะไม่รู้เราจะคิดว่าผู้ที่กำลังคิดอยู่นี้ผู้ที่กำลังพูดอยู่นี้คือร่างกายแต่ความจริงร่างกายเป็นเพียงผู้รับคำสั่งจากผู้คิดอีกทีก่อนที่จะพูดได้นี้ต้องคิดก่อนว่าจะพูดอะไรพอคิดแล้วก็สั่งให้พูดผ่านทางร่างกายออกมาทางเสียงทางปากร่างกายไม่ได้เป็นผู้คิดเอง ใจเป็นผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายพูดผู้สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆสั่งให้เดินสั่งให้ยืนสั่งให้นั่งเนี่ยถ้าญาณโยมนั่งอย่นี้ไม่คิดจะลุกจะลุกได้นะต้องคิดก่อนเนี้ยคิดว่าเดี๋ยวต้องลุกแล้วเดี๋ยวจะไปนู่นมานี่นี่ก็คิดแล้วก็ต้องลุกถึงต้องสั่งให้ร่างกายลุกสั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆ ผู้สั่งกับผู้รับคำสั่งนี้เป็นคนละคนกันใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจเป็นผู้สั่งร่างกายเป็นผู้รับคาสั่งแล้วก็ใจก็ไม่ได้อยู่ในร่างกายใจอยู่อีกที่หนึ่งที่เราเรียกว่าโลกทิพย์ใจนี้เป็นร่างทิพย์เป็นกายทิพย์ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับร่างกายร่างกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเ็นกระดูกมีอาการ32 แต่ใจนี้ไม่มีอาการสามสิบสองใจมีแต่เพลงแต่ความรู้สึกนึกคิดใจเป็นเหมือนมนุษย์น่องหนใจไม่มีรูปร่างหน้าตาแล้วก็ไม่ได้อยู่ในร่างกายใจใจติดต่อกับร่างกายด้วยกระแสจิตใจนี้ส่งกระแสมาเกาะที่ร่างกายเกาะที่ตาเพื่อจะได้รับภาพเกาะที่หูเพื่อจะได้ยินเสียง เหมือนเราเสียบปลั๊กเนเราเอาเอาหูฟังไปเสียบกับเครื่องเนี่ยพอเสียบปั๊กเสียงที่อยู่ในเครื่องมันก็จะวิ่งเข้ามาที่หูเรา mm hmm. ใจก็เอาเ็าเรียกว่าวิญญาณกระแสจิตกระแสจิตนี่เรียกว่าวิญญาณส่งวิญญาณมาห้าเส้นด้วยกันส่งสายมามาเสียบปลั๊กอยู่ห้าห้าห้ารมูมาเสียบที่ตาเพื่อจะได้รับภาพ มาเสียบที่หูเพื่อจะได้รับเสียงมาเสียบที่จมูกเพื่อจะได้รับกลิ่นมาเสียบที่ลิ้นเพื่อจะได้รับรสแล้วก็มาเสียบที่ร่างกายเพื่อจะได้รับความสัมผัสที่มาสัมผัสกับร่างกายเช่นอากาศเย็นอากาศหนาวอากาศร้อนหรือของแข็งของนุ่มหรืออาการต่างๆของร่างกายปวดท้องเจ็บท้องปวดศรีศรษะอันนี้ก็ มีตัวตัวนี้มาเสียบมารับมารับข้อมูลต่างๆเหล่านี้ใจก็อยู่อีกที่หนึ่งใจเป็นผู้ส่งกระแสมาเหมือนกับ เ, เหมือนกับหูที่เสียบหูฟังกับเครื่องอยู่คนละที่กันที่ที่ใจอยู่นี้เป็นอีกโลกหนึ่งเราเรียกว่าโลกทิศที่ร่างกายอยู่นี้เราเรียกว่าโลกโลกกระธาโลกธาตุโลกนี้ โลกที่ร่างกายอยู่นี้เป็นโลกของธาตุสี่คือดินน้ำนมไฟโลกนี้มีแค่ดินน้ำนมไฟเมื่อมาลง ก, กันก็เป็นเป็นร่างกายเป็นต้นไม้เป็นภูเขาเป็นอะไรต่างๆถ้ามีใจมาส่งกระแสวิญญาณมาเสียบที่ตาหูจมูกลิ้นกายก็จะเป็นมนุษย์เป็นเดาชะฉานเพราะว่าเดาชะฉานกับมนุษย์นี่มีตาหูจมูกลิ้นกาย ส่วนต้นไม้ข้าวขอ ง, งต่างๆไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เลยไม่สามารถมาเสียบปักที่ต้นไม้ได้มาเสียบปักที่ดอกไม้ไม่ได้มาเสียบปักที่กุฏินี้ไม่ได้เพราะไม่มีรูเสียบมาเสียบได้ที่ร่างกายของคนและของสัตว์เดรัจฉานแล้วก็ใช้กระแสความความคิดนี้มาสั่งให้ร่างกายทําอะไร เวลาที่ได้รับข้อมูลจากร่างกายพอเห็นภาพเนี่ยพอได้เห็นภาพใจก็จะเกิดความรักความชอบขึ้นมาหรือเกิดความชังขึ้นมาเห็นภาพที่ชอบก็สั่งให้ไปซื้อมาเออเอาภาพนี้นะภาพนี้สวยเช่นกระเป๋าใบนี้สวยซื้อมานะเนี่ยก็สั่งให้ร่างกายไปร่างกายก็ต้องไปหาเงินทองก่อนถ้าไม่มีเงินทองก็ต้องไปหาเงินทองก่อน ถ้าไม่มีเงินทองยังอยากได้หาเงินทองไม่ได้ก็ไปขโมยก่อนอันนี้ใจจะสั่งให้ร่างกายทำอย่างใดอย่างหนึ่งพอเห็นอะไรที่อยากได้แล้วต้องเอาให้ได้ถ้าไม่ได้แล้วมันไม่สบายใจกินไม่ได้นอนไม่หลับทุกนี่ยว่าทุกทุกเพราะความรักพอเห็นอะไรรักเราชอบแล้วไม่ได้ก็ทุกแล้วก็ต้องดิน้นต้องหาวิธีหามาให้ได้ ก็เลยอาจจะไปทำบาปเพื่อที่จะได้สิ่งที่อยากได้ขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้ว่าทำบาปแล้วก็มีผลตามมานารกตามมาไม่รู้ว่านารกเป็นอะไรนรกก็คือความร้อนใจนี่แหละไม่ใช่สถานที่ใจเวลาไม่ได้ทำบาปนี่มันจะเฉยเฉยไม่ร้อนไม่เย็นพอทำบาปปุ๊บนี่มันร้อนขึ้นมามันไม่สบายใจขึ้นมาเช่นเดียวกับเวลาทำบุญเนี่ย พอทำบุญแล้วใจมันเย็นขึ้นมาใจมีความสุขขึ้นมาเนี่ยนรกสวรรค์ก็คือความสุขใจหรือความทุกข์ใจนี่เองถ้าใจทุกข์ใจร้อนนี่เรียกว่านรกถ้าใจสุขใจสบายนี้เรียกว่าสวรรค์ถ้าใจไม่สุขไม่ทุกข์ก็เรียกว่าใจกลางๆาซึ่งเป็นใจไม่ชอบอยู่กลางๆาชอบอยู่กับความสุขก็เลยมักจะ เห็นอะไรที่ชอบก็คิดว่าได้มาแล้วจะมีความสุขก็เป็นความสุขแต่เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขเดียวเดียวแล้วก็จะได้ความทุกข์ตามมาถ้าไปทำบาปถ้าไปเอามาด้วยการกระทำบาปเวลาได้เงินไปขโมยเงินมาก็ดีใจเดี๋ยวพอใช้เงินหมดก็เริ่มกังวลแล้วเดี๋ยวจะถูกจับหรือเปล่าเดี๋ยวถูกจับเข้าคุกเข้าตาราง ก็ทุกใจขึ้นมานี่คือเรื่องของใจกับร่างกายเนร่างร่างกายนี้เป็นเพียงแต่ผู้รับใช้เป็นเหมือนเครื่องไม้เครื่องมือที่เราใช้กันเนี่ยอย่างโทรศัพท์เนี่ยสามารถถ่ายภาพให้เราได้สามารถอัดเสียงให้เราได้ร่างกายนี้ก็เหมือนกันถ่ายภาพให้กับใจอัดเสียงให้กับใจแต่ร่างกายนี้เก่งกว่าโทรศัพท์เพราะนอกจาก ภาพกับเสียงแล้วยังสามารถอัดกลิ่นลดกับสัมผัสต่างๆได้ต่อไปมนุษย์ก็อาจจะสร้างโทรศัพท์แบบที่จะรับกลิ่นได้รับรสก็ได้ต่อไปอยากจะกินอะไรก็ไม่ต้องไปร้านเปิดภาพดูร้านไหนสั่งกว๋วยเตี๋ยวมาแล้วก็นั่งดูแล้วก็เอากลิ่นเอารสเข้ามาตอนนี้ได้สองอย่างได้ภาพกับเสียง กลิ่นการรดกับสัมผัสนี้ยังไม่ได้ต่อไปอาจจะได้กลิ่นก็ได้ต่อไปซื้อน้ําหอมนี่ก็ไม่ต้องไปซื้อที่ร้านนะสั่งผ่านทางโทรศัพท์ได้เลยส่งกลิ่นมาที่บ้านได้เลยนี่คือใจกับร่างกายแล้วร่างกายนี้ก็มีอายุขไขเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทุกร่างกาย เหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นร่างกายของขอทานร่างกายของสามสามัญชนร่างกายของอ ى, ของคนรวยร่างกายของพระเจ้าแผ่นดินเป็นเหมือนกันหมดเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันไปหมดแต่ใจของทุกคนก็เหมือนกันไม่ตายไ ป, <önemli. S 2> ไปกับร่างกายเหมือนกันใจของขอทานก็ไม่ตายไปกับร่างกายใจของของพระเจ้าแผ่นดินก็ไม่ตายเพียงแต่ว่า ต้องถอดปั๊กออกเท่านั้นปั๊กทั้งห้าสายที่มีเกาะมาเกาะติดกับร่างกายพอร่างกายตายปั๊กห้า ป, ป, ปั๊กทั้งห้าสายนี้ก็ไม่สามารถรับข้อมูลทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ใจตอนนั้นก็จะรู้สึกว่าเวเพราะไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสให้เสกก็เลยต้องไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อจะได้เสียบ ป, ปั๊กใหม่ก็เลยไปหาไปดูว่าใครกาลังท้องอยู่ ไปตั้งท้องก็ไปเสียบปลักไว้เลยเสียบปลักปัักนะพอออกมาก็ใช้ร่างกายทำแบบเดิมทำแบบที่เคยทำมาใช้ร่างกายไปหารูปเสียงกลิ่นรสมามาเสกต่อเพราะถ้าไม่มีน่ามันเหงามันว่าเหวสังเกตดูเวลาที่เราไม่ได้ออกไปนอกบ้านอยู่ในบ้านไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปดูไปฟังอะไร อยู่บ้านเฉยๆจะรู้สึกเหงาจะรู้สึกว่าวเวแต่พอเราได้เห็นภาพเห็นเสียงที่เราชอบอยากเห็นนี่พอเห็นแล้วความเหงาความว่าวเวก็จะหายไปมันเลยทําให้เรานี่อยู่ปราศจากรูปเสียงกลิ่นรสไม่ได้เพราะอยู่เวลาไม่มีแล้วเหมือนคนที่อดยาอดยาเสพติดคนที่ติดยาเสพติดเวลาที่ไม่ได้เสพยานี่มันจะ หมดเหยียดนำคาญใจมันต้องดินไปหายาเสพติดมาเสพรูปเสียงกลิ่นลดก็เป็นยาเสพติดเหมือนกันสำหรับใจพอร่างกายนี้ตายไปแล้วไม่มีร่างกายพาไปหารูปเสียงกลิ่นลดแล้วก็เลยต้องไปหาร่างกายอันใหม่เนี่ยถึงจะกลับมาเกิดใหม่แต่ก่อนจะกลับมาเกิดใหม่ก็ต้องไปใช้กรรมใช้บุญใช้บากก่อน ถ้าทำบาปไว้ก็เหมือนกับจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาจับไปขังคุกขังตารางใช้บาปให้หมดก่อนพอบาปหมดแล้วก็ถึงปล่อยออกมาจากคุกให้มาหาร่างกายอันใหม่ถ้าทำบุญไว้ได้เขาก็จะส่งให้ไปเที่ยวไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์การท่องเที่ยวในโลกทิพย์ก็เหมือนกับตอนที่เรานอนหลับแล้วฝันดีเวลา เวลาเรานอนหลับนี่ร่างกายอยู่เฉยๆแต่ใจนี้ไปละไปท่องเที่ยวในโลกทิศถ้าฝันดีฝันว่าได้ไปเที่ยวที่นั่นไปพบสิ่งดีๆพบสิ่งที่เราลักเราชอบเห็นสิ่งที่เราลักเราชอบอันนั้นแ่ะแสดงว่าเรากําลังไปสวรรค์กันะไปท่องเที่ยวกันถ้าเราฝันร้ายฝันว่าไปเจอคนนั่นมาคอยกันแกแล้งเราเจอสิ่งนั่นจะมาคอยตามฆ่าเราอันนั้นเรียกว่าฝันร้าย ก็เรียกว่ากําลังไปใช้บาปใจนี่แหละเป็นผู้ไปรับผลบุญ ผ, ผลบาปไม่ใช่ร่างกายแล้วเราก็รับอยู่แทบทุกคืนเวลานอนหลับนี่เราฝันกันบางทีแต่เราจําไม่ได้พอตื่นขึ้นมาฝันต่างๆหายไปเลยนอกจากความฝันอันไหนที่มันรุนแรงท่านึงที่มีน้ําหนักมากมันก็อาจจะทําให้เราจําได้อยู่ประมาณสักไม่กี่วินาที เราตื่นขึ้นมายังจําได้อ๋อเคย น, นี้ฝันดีอ๋อเคย น, นี้ฝันร้ายแต่ถ้าเป็นแบบฝันที่ไม่มีน้ําหนักมากพอตื่นขึ้นมาก็ลืมไปเลยพอตื่นขึ้นมาปั๊บก็กลับมาที่ร่างกายมารับดูเรื่องผ่านทางร่างกายเรื่องที่เราฝันมันก็เลยจําไม่ได้กันทุกคืนนี้เรากําลังไปดูหนังตัวอย่างของบุญของบาปที่เรากําลังทํากันอยู่ถ้าเราฝันดี บ่อยๆก็เรียกว่าเราทําบุญไม่มากถ้าทาถ้าฝันร้ายบ่อยๆก็เรียกว่าทบาบาปไว้มากแล้วเวลาตายไปมันก็จะฝันยาวเวลาไม่มีร่างกายจิตมันก็จะไปรับผลบุญผลบาปในรูปแบบของแบบเหมือนที่เรานอนหลับฝันไปนี่แหละเวลาที่ใจไม่มีร่างกายมันก็เหมือนกับมันอยู่ในโลกทิพแล้วมันก็จะไปรับรู้เหตุการณ์ที่มันสร้างขึ้นมาเอง เป็นเรื่องราวที่ไม่ดีเวลาทำบาปมันเราก็จะทำแต่เรื่องที่ไม่ดีมันก็เหมือนกับจะถ่ายวีดีโออัดเก็บไว้พอเวลานอนหลับหรือเวลาตายไปวีดีโอนี้มันก็จะมาฉายใหม่ให้เราดูฉายเรื่องที่ไม่ดีต่างๆแล้วมันก็จะฉายมุมกลับเคยไปทำเขาทีนี้เขาก็จะกลับมาทำเราแทนมันจะฝันแบบนั้น ถ้าเราไปทําความดีทําให้คนอื่นมีความสุขเวลานอนหลับ ม, มันก็จะใช้วิดีโอกับกับกันผัานว่ามีคนนั้นคนนี้มาทําความดีกับเรามาช่วยเรามาให้ความสุขกับเรานี่ลักษณะของวิบากกรรมที่เราต้องใช้หลังจากที่ร่างกายนี้ไม่ทํางานจะชั่วคราวหรือถาวรเช่นเวลานอนหลับนี่มันก็ไม่ทํางานชั่วคราว เวลานั้นมันก็ปล่อยให้จิตไปรับผลบุญผลบาปชั่วคราวก่อนแล้วถ้าเวลาร่างกายนี้ตายไปมันก็จะรับผลบุญผลบาปยาวไปเลยจนกว่าผลบุญผลบาปมันจะหมดแรงเหมือนกับวีดีโอที่ถ่ายไว้ถ่ายไว้จนหมดนะ้พอหนังจบแล้วไม่มีอะไรให้ดูแล้วทีนี้มันก็จะส่งให้เรามาหาร่างกายอันใหม่พอมีพ่อแม่ไปผสมพันธุ์ที่ไหนได้ จังหวะเราไปเจอเขาก็เลยไปจับจองไว้เลยเสียบปลักเลยส่งกระแสวิญญาณเข้าไปเกาะร่างกายนั้นก็เรียกปฏิสนธิวิญญาณจิตส่งกระแสวิญญาณทั้งห้าเข้าไปเกาะที่ตัวอ่อนที่กำลังก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาแล้วก็ติดอยู่กันไปจกนกระทั่งคลอดออกมากเราก็เจริญเติบโตจน สามารถที่จะสั่งให้ร่างกายไปทำอะไรต่างๆได้เราก็มาทำกันแบบเดิมเคยทำมากี่ครั้งก็จะทำแบบนั้นต่อเคยเที่ยวก็จะเที่ยวต่อเคยซื้อกระเป๋าก็จะซื้อกระเป๋าต่อซื้อรองเท้าซื้ออะไรก็จะซื้อต่อเคยบวดก็จะไปบวดเคยจำศีลก็จะไปจำศีลเคยทำบุญก็จะไปทำบุญเคยทำอะไรไว้นิสัยมันอยู่มันยังอยู่ติดอยู่กับใจเหมือนเดิม พอใจไม่ได้เปลี่ยนใจไม่ได้ตายไปนิสัยต่างๆที่ทำไว้ยังอยู่ครบหมดทุกอย่างเคยชอบสูบบุหรี่กลับมาก็จะสูบบุหรี่เคยชอบเล่นการพนันกลับมาก็จะมาเล่นการพนันเคยชอบเที่ยวก็กลับมาเที่ยวเคยชอบทำงานก็จะทำงานใช่หไหมคนเรานี่ถึงนิสัยไม่เหมือนกันถึงแม้มาเกิดจากพ่อแม่คนเดียวกันแต่นิสัยไม่เหมือนกัน ถ้าใจมาจากพ่อแม่คนเดียวกันนิสัยของลูกทุกคนก็ต้องเหมือนกันหน้าตาเหมือนกันใช่ไหมฟ้าแผนี่ออกมาหน้าตาเหมือนกันแต่ใจไม่เหมือนกันใจของฟ้าแผ่นี่มาจากคนละที่กันมาจากดวงวิญญาณสองดวงมาเกาะที่ร่างกายดวงนึงอาจจะชอบชอบทำบาปดวงนึงอาจจะชอบทำบุญก็ได้ พอโตขึ้นเขาก็จะไปทำตามที่เขาชอบ ต, ตอนที่เป็นเด็กเด็กอาจจะทำพร้อมกันได้เพราะพ่อแม่คอยสอนให้ทำคอยบังคับให้ทำเวลาใส่บาตก็ใส่วันก่อนนี้มีมีแฝดห้ามาใส่บาต <c oughs> มีห้าคนแต่มีทั้งหญิงมีทั้งชายปนกันหน้าตาก็คล้ายคายกั น, นห้าคนอเราจากยาคูก็เหนื่อยเลยต้องมา <c oughs> ห้าคนอันนี้รับรองได้หน้าตาเหมือนกันแต่นิสัยใจคอจะไม่เหมือนกันเพราะนิสัยใจคอมาจากคนละที่กันดวงวิญญาณนี้มีใจนี้มีพ่อแม่ต่างกับร่างกายร่างกายนี้มีพ่อแม่ที่เป็นร่างกายเป็นพ่อแม่เป็นพ่อแม่ที่เรารู้จักเนี้ยเป็นพ่อแม่ทางร่างกายแต่พ่อแม่ของใจเรานี้มาจากกรรม เรามีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิดเราเป็นกรรมเป็นผู้ให้เผาพันเราเป็นกรรมเราเป็นที่พึ่งอาศัยมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยคือกรรมนี่แหละคือการกระทำต่างๆที่เราทำเนี่ยมันจะทำให้เราติดเป็นนิสัยเคยทำอะไรมันก็จะทำเคยทำบาสมันก็จะทำบาปเคยทำบุญมันก็จะทำบุญมันก็เลยทำให้เราเป็นเผาพัน กรรมก็เลยเป็นเผ่าพันธุ์ของเราะถ้าทําบุญก็มาจากเผ่าพันธุ์บุญถ้าทําบาปก็มาจากเผ่าพันธ์บาปอันนี้ใจนี้ไม่ได้มาจากพ่อแม่ น, นิสัย ใ, ใจคอต่างๆไม่ได้มาจากพ่อแม่แต่สามารถรับอิทธิพลจากพ่อแม่ได้เช่นมาเกิดตอนเป็นเด็กพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ชอบเข้าวัดก็จะดึงเข้าวัดเจอเรื่อยๆพาเข้าวัดเจอเรื่อยๆแล้วถ้าติดเป็นมิตสัยก็อาจจะ มาวัดต่อหลังจากที่โตแล้วถึงแม่พ่อแม่ไม่ชวนแต่ก็มาแล้วรู้สึกว่าชอบมีความสุขได้ประโยชน์ก็เลยมาต่อทังทั้งที่เมื่อก่อนอาจจะไม่เคยชอบเข้าวัดเลยก็ได้ชาติก่อนอาจจะไม่เคยชอบเข้าวัดเลยแต่พอได้มาอยู่กับพ่อแม่ที่ชอบพาเข้าวัดอยู่เรื่อยๆมันก็เลยติดเป็นนิสัยใหม่ขึ้นมาได้ แล้วอาจจะเลิกนิสัยเก่าได้นิสัยที่ไม่เคยเข้าวัดก็อาจจะหายไปนิสัยที่อยากจะเข้าวัดก็ จ, จะมาแทนที่นี่คือเรื่องของใจกับร่างกายนี้เป็นคนละเรื่องกันเป็นเป็นเหมือนฝาแฝดกลายเป็นเป็นแฝดน้องใจเป็นแฝดพี่ใจเป็นผู้ดูแลเลี้ยงดูแฝดน้องเี่ย ใจเป็นคนเลี้ยงร่างกายเชื่อั้ยใจเป็นคนสั่งให้ร่างกายไปอาบน้าไปไปล้างหน้าไปแปรงฟันถ้าไม่มีใจร่างกายมันก็จะอยู่เฉยๆไม่รู้จะทำอะไรเหมือนคนตายคนตายนี้ก็ไม่มีใจคนตายก็เลยอยู่เฉยๆทำอะไรไม่ได้นี่ก็เรื่องของร่างกายกับเรื่องของใจที่เราจะไม่มีวันรู้ได้ถ้าเราไม่ได้มา ศึกษาไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมไม่ได้มาวัดกันแล้วก็การที่เราได้มาวัดกันก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะพี่น้องของเราหรือลูกของเราหรือเพื่อนของเรามาบวชกันพอมาบวชก็เลยมีเวลาได้แวะมาฟังเทศฟังธรรมกันมาได้รับหนังสือธรรมะกันไปอ่านถ้าเอาไปอ่านเอาไปศึกษาต่อ ก็อาจจะได้เรียนรู้อะไรที่เราไม่รู้กันมาก่อนแล้วก็จะทําให้เรามีความรู้ความฉลาดรู้แล้วหายสงสัยแล้วว่นานรกมีจริงหรือไม่มีจริงสวรรค์มีจริงหรือไม่มีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงหรือไม่มีจริงะถ้าได้ยินได้ฟังได้รับการอธิบายให้ฟังอย่างนี้มันก็ทําให้เราอย่างน้อยก็เชื่อห้อร์เซนตแล้ว ถึงแม้เรายังไม่เห็นกับตาเราเองถ้าเราอยากจะเห็นกับตาเราเราก็ต้องมาฝึกนั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมเพราะถ้าเรานั่งสมาธิได้เราจะเห็นใจเราจะเห็นใจกับร่างกายนี้แยกออกจากกันตอนนี้ใจกับร่างกายเหมือนน้ำกับขวดน้ำอยู่ในที่เดียวกันก็เลยดูคิดว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พอเราเทน้ำออกจากขวดแล้วเทน้ําใส่แก้วเราถึงรู้ว่าร่างกายกับขวดน้ํานี้เป็นคนละอย่างกันเวลาเรานั่งสมาธิเราจะดึงใจออกจากร่างกายเราจะถอดปลั๊กทั้งห้าปลั๊กออกชั่วข่าวปลั๊กที่ไปติดที่ตาหูจมูกลิ้นกายนี้จะถูกดึงออกดึงออกด้วยสติที่บอกให้สอนให้ฝึกสติพุโทโธพุทโธเนี่ยเป็นการดึงปลั๊กออกจาก ตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเราอยู่กับพุทธโธพุทธโธไปเดี๋ยวเราก็จะไม่รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผด ธ, ธาพุเวลาจิตสงบร่างกายนี้ก็หายไปเลยไม่รับรู้เลยเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวตัวรู้และตัวคิดแต่ตัวคิดก็หยุดคิดก็เลยเหลือแต่ตัวรู้เราก็เลยรู้ว่าอ๋อนี่แหละคือใจใจกับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกัน ใจนี่แหละที่มาเกิดมาได้ร่างกายอันนี้แล้วต่อไปเวลาร่างกายอันนี้ตายไปใจนี้ก็จะไปหาร่างกายอันใหม่ถ้าไม่อยากจะไปมีร่างกายอันใหม่ก็ต้องหยุดเหตุที่จะทําให้เราไปมีร่างกายอันใหม่เหตุ<ๆ>ที่ทําให้เรายังอยากจะมีร่างกายอันใหม่เพราะเรายังอยากมีอยากเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสนี่เองถ้าเราหยุดความอยากเสพได้ะ เช่นมาถือศีลถือศีลแปดมานั่งสมาธิเราก็จะหยุดเสบ ร, รูปเสียงกลิ่นลดกันหยุดความอยากได้ถ้าเราหยุดได้เวลาร่างกายนี้มีหรือไม่มีเราก็ไม่ต้องใช้มันละคนที่เขาบวชนี่เขาไม่ต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายมาเสบ ร, รูปเสียงกลิ่นลดเขาเสบความสงบแทนเขาเสบการนั่งสมาธิทำใจให้สงบแทน เพราะความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธินี้ดีกว่าความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสเพราะสามารถมีได้ตลอดเวลาแต่รูปเสียงกลิ่นรสนี่ไม่แน่นอนบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีบางทีตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่ดีตาไม่ดีก็เสพรูปเสียงกลิ่นรสไม่ได้จนเวลาไม่สบายนี่อยากจะไปเที่ยวก็ไปไม่ได้แต่ ถ้าเราเสพความสงบนี้เวลาร่างกายไม่สบายก็ยังเสพความสงบได้ยังทําใจให้สงบยังนั่งสมาธิได้ยังนอนสมาธิได้ทําใจให้สงบทําใจให้มีความสุขได้เราก็เลยไม่ต้องใช้ร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็ไม่เดือดร้อนแล้วเราก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่เพราะเราสามารถหาความสุข ในใจได้โดยที่ไม่ต้องมาหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นนสดนี่คือวิธียุติการเกิดแก่เจ็บตายก่อนที่อยากจะหยุดการเกิดแก่เจ็บตายจึงมักจะต้องไปบวชกันไปถือศีลแปะกันหรือไปบวชเป็นพระถือศีลสองรอยิบเจ็ดกัน <c oughs> เพื่อจะได้หยุดความอยากที่จะมาเสพรูปเสียงกลิ่นนสดแล้วก็เสบความสงบแทนมานั่งสมาธิทําใจให้สงบ ถ้าใจสงบแล้วก็มีความสุขอยู่คนเดียวได้ไม่เหงาไม่ว้าเวไม่มีรูปให้ดูก็ไม่เดือดร้อนไม่มีเสียงให้ฟังก็ไม่เดือดร้อนก็จะสามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือสิ่งเรื่องราวต่างๆที่เราจะไม่สามารถไปเรียนรู้จากที่อื่นได้ต่อไปให้ต่อให้ไปเรียนในมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกเขาก็ไม่มีมีวิชานี้มาสอนเรา เ็ามีแต่วิชาสอนให้เราหารูปเสียงกลิ่นรสให้ได้มากขึ้นให้เก่งขึ้นให้รวยยิ่งรวยก็สามารถหารูปเสียงกลิ่นรสมาเสพได้มากขึ้นแต่เขาไม่รู้ว่าเสพเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอแล้วก็จะต้องมีวันหมดพอ ร, ร่างกายนี้ตายไปก็เสพไม่ไดนะ้หรือเวลาร่างกายแก่เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็เสพไม่ได้เวลานั้นเวลานั้นก็จะเสพแต่ความทุกข์เสพแต่ความซึมเศร้า เสพแต่ความว้าเหวเพราะไม่สามารถหาความสุขในตัวเองได้ไม่สามารถหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสได้ก็เลยมีแต่ความเศร้าให้เสพอย่างเดียวแต่ถ้าเรารู้จักวิธีทำใจให้สงบสร้างความสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบนี้มาเสพเราก็ไม่เดือดร้อนเราก็ไม่ต้องมีร่างกายอีกต่อไป เราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วในเวลาร่างกายแก่เวลาร่างกายเจ็บเวลาร่างกายตายเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราสามารถถอดปลั๊กออกจากร่างกายได้เวลามันเจ็บแล้วก็ถอดปลั๊กออกเเข้าไปในสมาธิจิตสงบก็ไม่รับรู้ความเจ็บของร่างกายร่างกายจะเจ็บยังไงใจก็เหมือนกับว่าไม่ได้รับรู้เหมือนใจไม่ได้เจ็บไปกับร่างกายเพียงแต่รับรู้ พอเราถอดปากออกมันก็เลยไม่ต้องรับรู้ความเจ็บของร่างกายเหมือนเวลาเราเห็นภาพที่เราไม่ชอบแล้วหลับตาที่เราก็ไม่รับรู้ภาพนั้นแนะ่ละเวลาเราได้ยินเสียงที่เราไม่ชอบแล้วอุดหูซะเราก็ไม่ได้ยินเสียงนั้นลนะมันก็ไม่สามารถมาทําให้เราไม่สบายใจนะแต่เราโง่แทนที่จะอุดหูกลับไม่อุดกลับไปฟังยิ่งเขาด่ายิ่งอยาออยากจะฟังใหญ่เขาด่าอะไเราพอเขายิ้นได้ฟังก็ยิ่งโกรธยิ่งโมโหใหญ่ แทนที่จะอุดหูเสีเดินหนีไปเสียมันก็จบกลับไปกลับไปกลับไปฟังอีกอยากจะฟังอีกว่าเขาด่าอะไรแล้วนี่ถ้าใครมันก็ซีบบอกนี่พี่รู้เปล่าเขากาลังว่าอะไรพี่อยู่ เ, เขาว่าอะไรแทนที่เราจะไปสนใจไม่อยากรู้กลับไปอยากรู้พอรู้แล้วก็ทุกข์เลยพอรู้ว่าเขาด่าแล้วเป็นควายนี่ก็ทุกข์แล้ว เราโง่กันแทนที่เราจะปิดตาหูจะบุบแล้วกลับไปเปิดรับรู้ไอ้เรื่องที่ทําให้เราทุกข์กันเพราะเราไม่รู้ว่าความทุกข์เกิดจากการที่เราไปรับรู้เรื่องราวเหล่านี้ น, ะนั่นเองนี่คือประโยชน์เนี่ยที่เราได้รับจากการมาวัดไม่ว่าด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งมาวัดเพราะมีคนรู้จักบวชมาวัดเพราะลูกบวชมาวัดเพราะว่ามีคนแนะนํามาบอกมาให้มาอเลืม แล้วแ ต, เต่เหตุผลแต่ละเหตุผลจะดีทั้งนั้นถ้ามาถึงวันแล้วนี้จะได้มาแหล่งมาแหล่งความรู้ที่แท้จริงความรู้ที่จะสามารถดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หมดไปจะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวที่จะอยู่กับจิตใจเราไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือเรื่องของการเกาะชายภ้าเหลือง ที่ใช้เป็นเหตุมาในการแสดงธรรมในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรอยะถาวาริวาหาปุราปาริกปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิตุทินางเปตานังอุปกั ป, ปติ อิจิตังปะิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปะจันโทปนะหราโสยะามณิโชติ a ราโสยะาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพารโขวินัสตุ มาเตผวะตวันตรายุสุขีทีขาโยโกผวะปิวาธนศิริสานิจังวุฒาปจายโนจตารูธรรมาวทานติอายุวันโอสุขังพะลัง ไม่เป็นไรไม่ต้องเขียนนะทำบุญไม่เอาชื่อทำบุญเอาบุญ น, น ะ, ะ ม, นมางานบวชเลยมาบวชใครบวชนะีใครมาบวชบวชลานลานเนี่ยภาวนาตอนนี้พยายามอยู่ได้อ่าพยายามภาวนาไปเรื่อยๆจะดีขึ้นไปเรื่อยๆ อ๋อนี่มันปลูกต้นไม้เดี๋ยวก็ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวใจก็เก่งขึ้นไปเรืยแข็งก็เก่งสู้กับสู้กับกิเลสได้สู้กับความทุกข์ได้ตอนนี้มันยังได้กินอยู่ต่อไปแล้วก็กินมันตอนนี้มันกินแล้วจะไปหยิบมันออกเท่านี้มันก็ไม่ออกก็ไม่ภาวนาบ่อยๆภาวนาเยอะๆ ยพยายามภาวนาไปาต้องร่จะบวชกันทั้งหมดกี่คนบวชกัน ท, นที่บ้านเราที่บ้านเราก็สามคนนะเพ่อลูกชายสี่คน ลุกๆน้ําเขยอาเบิดกเปที่เคยที่เคยบวชเมื่อสองปีก่อนนั้นใช่ไหมครับน้านี้บวชใหม่เรามีมีคนอื่นบวชพร้อมกันอีกไหมานนบวชทั้งหมดเกี่ยวกับ พรุ่งนี้พรุ่งนี้เก้าที่เหลือสบวที่เราก็อยู่วัดเดียวกันเลยใช่ครับสำนักสงฆ์ที่ตรงพื้นภาษาอยู่อยู่ที่เดียวกันหมดเลยใช่ครับมีที่อยู่พอก็เดี๋ยวเาอาจจะสร้างเพิ่มเพิ่มเติมิหน่อยแยกกันอยู่ไม่ได้อยู่รวมกันน ะ, ะเป็นเดียวๆนะ ถ้าอยู่รวมกันไม่ดีถ้าบวชแล้วท่าปฏิบัตินี่ต้องอยู่กันเดียวๆปีกวิเวกกันอย่าอยู่ใกล้ๆกันเพราะมันเดี๋ยวจะอดที่จะคุยกันไม่ได้นั่นก็ก็ไปครับไปฟ้ามีบางบางส่วนมก่มีก็ได้ไม่มีก็ได้มีก็อย่าไปใช้มันก็แล้วกันใช้เท่าที่จําเป็น มันไม่จำเป็นก็นอย่าไปใช้มันเพราะมันเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณเพรเดี๋ยวก็ไปใช้กับเครื่องเสียงใช้กับเครื่องดูอ็เลยจะไม่มีเวลามาภาวานาดูข้างในดีกว่าดูใจข้างนอกมีแต่ดูล้อล้อนดูข้างในแล้วเย็น ใจเข้าข้างในแล้วเย็นใจออกข้างนอกก็ร้อนร้อนด้วยโมหะร้อนด้วยโลภะร้อนด้วยโทสะเห็นอะไรก็โลภเห็นอะไรก็โกรธเห็นอะไรก็หลงสู้อย่าไปเห็นดีกว่าสำลัวมปินสีตาฟูจมูกยิ่งกายเป็นพี่น้องกันนะเป็นพี่น้องกันหรือเปล่า ตรวได้กี่นานเท่าไหร่แล้วแสองปีแ้ค่ะบบสองปีแล้วเนี่วอยู่ที่ไหนวัดิรราค่ะอย่ตรงกาสมุยาค่ะที่ไหนเกาะสมุยเลยอ่อมุกมหมีแม่ชีเยอะไหมเอจค่ะเอะเลเป็นบางช่วงเป็นคอ้แล้วที่วัดมีการปฏิบัติหรือเปล่ามีเจค่ะมีอาจารย์เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชาย เป็นพระ้าค่ะเป็นพระเลยมีแม่ชีอยู่สักกี่รูปมีแม่ชีบางครั้งก็ประมาณสามสิบเจ้าค่ะสามสิบเลยขับจะบวชเวียนไปเวียนมาแต่เกิดแม่ชีประจำนี่มีประมาณห้าหเจ้าค่ะอ๋อแล้วก็เขาก็จะสอนมีศาสนาเขามีมีฝรั่งไหมนีมีบางครั้งเจ้าค่ะเพราะบางทีมีผู้หญิงฝรั่งมาเขาอยากจะหาที่บวชชีที่ที่ที่รับมีเจ้าค่ะไปบวชได้นะที่เกาะสมุ้เลยค่ะ อยู่ตองด้านไหนของเกาะสมุยอยู่นาทอนเจ้าค่ะนาทรนเจ้า่ะเขาเรียกนาทอนเนี่ยเขาเรียกนาทอนเจ้าค่ะเป็นเป็นอะไรเป็นตำบลก็เป็นอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์เจ้าค่ะวัดชื่อวัดอะไรนะวัดน้าตกหินลาชจาค่ะน้าตกห็นราดแต่อาจารย์สอนภาษาอังกฤษได้ปล่าพูดได้เปอ่ามีอาจารย์ที่ว่าเขามาจากฝรั่งกันเจ้าค่ะมีฝรั่งไหม คือเป็นอาจารย์คนไทยที่ไปสอนแถวฝรังมาเจ้าค่ะอยากไปสอนแถวฝรั่งเศสเลยเนี่ยเลยเจ้าคะเขาพูดได้แม่ชีพูดภาษาต่างเได้เจ่าค่ะเพราะมีตาทางชาวต่างชาติมางคลเขาอยากจะหาที่บวชกันที่ที่นั่นก็มีมีบวชเจ่าค่ะน้ำตกหินลาดเจ้าค่ะเป็นเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเาค่ะอยู่หน้าทอนเจ้าค่ะมัมันมีเข้าคอส เสิดวันแปดวันเจค่ะดีเปล่าเข้ามาจะได้บอกเขาให้ลองค้นหาดูหาดูขอให้เจริญก้าวหน้าในธรรมไปเรื่อยๆนะหน้าหนังตกเห็นหด้าหน้าทอนอันนี้เฟซบุ๊กเข้ามาเท่าไหร่ 4, สีส่สามค่าย u ูทสูสุดห่ร้อยสามยทูวันนี้เยอะ ม, <า>มีชาวต่างชาติเข้ามารอยางวันนี้ไม่มีมีคำถามไหม <c oughs> ถามนี้มีใครอยากจะถามไหมอเอาถามนี้ก่อนอพระเจคะคคุณพ่อค่ะเขาป่วยหนักมากเลยแล้วเขาโดนตัดขาไปครั้งนึงค่ะนะี้ อีกขาอีกอีกนึ่งที่เหลือก็กำน<อ>ังจะดงไปค่ะอดีตญาติที่เขานั่งสมาธิเขาบอกว่าเาจาก็ก็ไม่เว้นเขาจะเอาชีวิตเขาไม่ตายก็ค่ะไม่มีมีเจ้ากรรมไม่มีเจ้ากรรมมันก็ตายเหมือนกันแหละไม่ต้องไปฆ่าตัวตายอาือนั่นแหละตัวนั้นนราไม่ควรจะทําออ่ะเำก็ไม่มรู้จะช่วยเขหรือว่าไม่แบ่งหนักเป็นเบาให้เขาได้เลยคะก็มีธรรมะท่านะที่จะช่วยเขาได้ แต่ถ้าเขาไม่ไม่ไม่เข้าใจในหลักธรรมเขาก็ตอนนี้จะถูกกิเลสลุ่มเล่าเพราะตอนนี้เขาหลงยึดติดกับร่างกายว่าเป็นตัวเขาถ้าเขามีธรรมะแล้วยกว่าตัวเขาไม่ได้ร่างกายไม่ได้เป็นตัวเขาตัวเขาไม่ได้เป็นอะไรตัวตัวใจนี้ไม่ได้เป็นอะไรเลยเพียงแต่ว่าใจไปหลงคิดว่าเป็นร่างกายก็เลยหวงร่างกายพอร่างกายจะถูกตัด รู้ว่าจะตายก็เราอยากจะฆ่าตัวตายก่อนเพราะจะได้ไม่ต้องทรมานความจริงถ้ารู้จักทําใจให้สงบนี่จะไม่ทรมานเลยร่างกายก็ส่วนของร่างกายไปใจก็อยู่ส่วนของใจไปเั้นถ้ามีโอกาสบอกให้เขาปล่อยวางร่างกายแต่พ่ออย่าไม่ต้องไปทํานะไม่ต้องไปฆ่ามันหรอกเดี๋ยวมันก็ตายเองตอนนี้ถ้าไปฆ่ามันพ่อยิ่งจะทุกข์ใหญ่ อย่าไปคิดว่าการฆ่าร่างกายนี้มันไม่ทุกเนียเพราะเราลักเราหวงมันเวลาจะฆ่ามันเนี้ใจเราจะเครียดมากเราน่าอย่าไปยุ่งกับร่างกายดีกว่าปล่อยมันไปตามธรรมชาติมันจะอยู่ก็อยู่มันจะขาดไปอีกขาหนึ่งขาดไปแขนนี้ก็ปล่อยไม่ขาดไปแล้วก็อย่างมากก็อย่าไปรักษามันบอกพอแล้วไม่ต้องรักษาแต่ไม่ต้องไปฆ่ามันบอกขอหมอกลับบ้านก็ได้หรือว่าถ้าอยู่โรงพยาบาลก็เอาเพียงแต่ให้ยากินไปก็แล้วกัน ถ้าอยู่ไม่ได้ก็ปล่อยมันตายไปมันจะได้ไม่เป็นกรรมกับเราด้วยถ้าเราฆ่าตัวตายมันจะเป็นกรรมว่ามันจะเป็นนิสัยเดี๋ยวไปเกิดชาติหน้าพอไปเจอปัญหาก็จะฆ่าตัวตายเป็นวิธีแก้ปัญหาซึ่งไม่ใช่เป็นวิธีวิธีแก้ปัญหาต้องปล่อยวางร่างกายปล่อยให้อะไรจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดไปใจจะได้ไม่ต้องมาผูกพันกับร่างกายต่อไป ชาติหน้ากลับมาเกิดร่างกายเป็นอะไรก็จะไม่เดือดร้อนถ้าสอนก็ได้แต่คงจะยากเพราะว่าถ้าไม่สบายแล้วมันใจไม่มีกระจิกกระใจแล้วมีเพียงอย่างเดียวอยากจะให้ร่างกายหายอยากจะให้ร่างกายดีถ้ามันไม่หายไม่ดีก็ฆ่ามันเลยมันจะคิดแค่นี้บอกบอกให้เา็าปล่อยวางร่างกายอย่าไปสนใจมันจะเป็นไงก็ปล่อยมันเป็นไปเรามา ฝึกทำใจให้สงบพุโทโธพุโทโธไปสวดมนไปถ้าทำได้ใจก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายเนี่ยเป็นเนี่ยเป็นเหตุที่ทำไมพวกเราถึงต้องมาฝึกทำใจกันตั้งแต่ยังไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นว่ามันเป็นเหมือนนักมวยนักมวยทําไม่ซ้อมโชคไว้ก่อนเดี๋ยวพอถึงเวลาขึ้นเวทีก็โดนเขา knock เอาทั้ แต่ถ้าเราซ้อมโชคอยู่เรื่อยๆพอขึ้นไปเราก็จะได้ใช้ชนะถ้าเราซ้อมใจให้สงบอยู่เรื่อยๆพอต่อไปร่างกายเป็นอะไรใจเราก็จะไม่เดือดร้อนใจเราก็จะเฉยก็ได้แค่นี้ละถ้าเขาทาใจได้เขาก็จะไม่มีปัญหาเลยมีใครอยากจะถามอีกไหม ไม่มีเดี๋ยวจะให้ทางบ้าน อ, ะ, อะจากแรกเริ่มเลยเลยค่ะอาจารย์ใจเดิมมาจากไหนนะคะอ๋อท้าพเจ้าก็อยากจะรู้เหมือนกันหามาเท่าไหร่มันก็ไม่เจอย้อนย้อนย้อนพบชาติไปกี่ล้านชาติมันก็ยังหาต้นตอมันไม่มีสแสดงว่ามันไม่มีที่เกิดไม่มีที่ดับคือเรามาเราจะมองเห็นแต่สิ่งที่เกิดดับเราก็เลยไปคิดเราเลยคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีมีเกิดมีดับ แต่บางอย่างของบางอย่างมันไม่มีเกิดไม่มีดับมันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนวงกลมเนี่ยคุณไปหาจุดเริ่มต้นได้ไหมในวงกลมเนี่ยว่ามันเริ่มต้นตรงไหนคนนลองไล่ไปดูเลยมันก็มันก็มันก็มีทางวิ่งทางกลับอยู่ตลอดเวลาในวงกลมเดินถอยหลังกลับมาเท่าไหร่ก็ไม่เจอที่ที่สิ้นสุดเดินไปข้างหน้าเท่าไหร่มันก็ไม่เจอที่สิ้นสุดเพราะมันเป็นวงกลมมันไม่ใช่เป็นเส้นตรง้ย ถ้าเป็นเส้นตรงมันก็เริ่มจากจุด A ไปสู่จุด B ีพอจากนี้ไปก็ไปถึงจุดนั้นก็จบที่เรามาเจอเรามาเห็นแต่สิ่งที่มีมีมีมีมีเริ่ ม, ม, ม, มต้นมันมีจบเราก็เลยคิดว่าทุกอย่างจะต้องมีเริ่มต้นมีจบเราคิดว่าทุกอย่างจะเป็นเส้นตรงหมดแต่มันก็มีวงกลมที่มันไม่มีไม่มีเกิดไม่มีดับอย่างธาตุทั้งธาตุทั้งหนี้ไม่มีเกิดไม่มีดับธาตุดินธาตุน้านําธาตุลมธาตุไฟ อากาศอัวกาศาธาตุธาตุรู้คือใจเนี่ยเนี่ยใจเป็นธาตุรู้ธาตุทั้งหกเนี่ยมันไม่มีเกิดไม่มีดับมันไม่มีจุดเริ่มต้นมันไม่มีจุดจบไอ้รู้แค่นี้เข้าใจไหมเราจะสบายใจไม่ต้องเป็นเลยไอ้รู้ว่าร่างกายเนี่ยมีจุดจบร่างกายเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไอ้ที่รู้อย่างนี้กลับไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตาย พอรู้แล้วแทนที่อจะปล่อยให้มันตายก็ไม่ยอมปล่อยให้มันตายนี่ก็เลยทุกข์กันก็ยอยากจะฆ่าตัวตายขณะไหนมันจะตายแล้วต้องไปฆ่ามันทำํำไมเหนื่อยทำไมใช่ไห ม, มก็ปล่อยมันปล่อยมันตายไปที่มันอยากจะตายก็ปล่อยมันตายไปออบอกหมอไม่ต้องรักษาบอกลูกเอากลับบ้านหรืออยู่โรงพยาบาลก็ได้แต่ไม่ต้องให้อยู่ไม่ต้องทําการรักษาให้แต่ยาไป ปวดก็กินยาแค่ปวดไปกินไม่ได้ก็มันลงไปกินมันเดี๋ยวไม่กี่วันมันก็ตายตายแบบนี้ไม่เป็นกรรมเพราะเราไม่ได้ไปทักไปเราไม่ได้ไปฆ่าการฆ่าคนอื่นฆ่าตัวเรานี่ก็บาปฆ่าตัวเรานี่บาปมากกว่าฆ่าคนอื่นเพราะมันเป็นโทษกับเรามากกว่าเดี๋ยวเกิดไปชาติหน้าก็จะฆ่าตัวตายอยู่เรื่อยๆพอเวลามีปัญหาอะไรแก้ไม่ได้ก็ฆ่าตัวตายฆ่าตัวตาย ที่ว่าเป็นวิธีแก้ปัญหาขอให้เรามารุ้นว่าอะไรว่าความทุกข์มันเกิดได้ยังไงดีกว่าแล้วมันดับได้ยังไงดีกว่าอย่าไปสนใจว่าจิตมันเกิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่เกิดมาได้ยังไงแล้วมันจะดับหรือไม่ดับมันไม่มีวันที่จะรู้ได้พระพุทธเจ้าบอกว่าเหมือนกับคนที่ถูก ถ, ถูกคนเขายิงด้วยธนูเนี่ย แล้วมีหมอมาจะมาดึงลูกธนูออกให้มารักษาแผลให้คนที่ถูกยิงก็บอกหมออย่าเพิ่งทําได้ไหมหมอไปถามดูก่อนสอบดูก่อนว่าคนที่มันยิงเป็นใครเป็นหญิงเป็นชายเป็นชาติชั้นวรรณะอะไรแล้วดอกธนูนี้ทําด้วยขนขนนกชนิดไหนทําด้วยไม้ชนิดไหนทําด้วยโลหะชนิดไหนหมอบอกถ้ากูไปหาความรู้ตอนนี้มึงก็ตายก่อนนะั่นเล ซู้รีบถอนดอกธนูออกจากออกแล้วรักษาแผลให้มันหายดีกว่าส่วนมันจะมาจากที่ไหนมันไม่มันไม่เป็นประเด็นสําคัญเราก็เหมือนกันใจเราตอนนี้ทุกข์เรามาหาวิธีดับความทุกข์ในใจเราดีกว่าส่วนใจมันจะมาเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่มาจากที่ไหนไม่ต้องไปสนใจมันหรอกมันเป็นอดีตไปแล้วมันไม่มีประเด็นมันไม่ใช่เป็นประเด็นสาคัญ ประเด็นตอนนี้อยากจะฆ่าตัวตายทุกจนอยากจะฆ่าตัวตายนี้ทำยังไงที่จะทำให้ไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องฆ่าตัวตายทำให้งเรามีความสุขกับความทุกข์ของร่างกายได้เราสามารถมีความสุขกับความเจ็บคายได้ป่วยได้ถ้า<ม>เรารู้จักทำใจให้สงบถอดปลั๊กออกสินั่งสมาธิดึงปลั๊กออกจากร่างกายพอดึงปลั๊กออกจากร่างกายมันก็จะไม่รับรู้เรื่องของร่างกายแล<ม>เข้าใจนะ ามาคำถามทางบ้านคำถามจากผู้ฝากถามค่ะขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยสอนวิธีผอดรักทางหูและจมูกด้วยค่ะเช่นเวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิดูลมหายใจสงบนิ่งได้สองชั่วโมงแต่พอมีเสียงดังเช่นเสียงเสียงรถขับผ่านเสียงสัตว์ย่าใจก็ส่งออกนอกยังผ่อนรักไม่ได้ค่ะทางจมูกก็พอได้กลิ่นแรง ใจก็เลิกดูลมหายใจยังถอดรักไม่ได้ค่ะสติว่าแรงที่ถอดรักมันไม่มีแรงเนี่ยไม่มีสติกำลังที่จะดึงดึงใจออกจากเสียงออกจากกลิ่นนั้นยังไม่มีแรงอยู่ก็ต้องหมั่นพุโทโธพุโทโธให้บ่อยขึ้นมากขึ้นอย่ามาใช้พุโทโธแต่เฉพาะเวลาที่เรานั่งอย่างเดียวควรจะใช้พุโทโธตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลย พุโทโธพอลืมตาขึ้นมาก่อนจะลุกขึ้นมาก็เตะ ก, ก็พุโทโธพุโทโธไปลุกขึ้นไปเข้าไปห้องน้ำํทำทําอะไรต่างๆในห้องน้ําก็พุโทโธพุโทโธไปถอดปลั๊กอยู่เรื่อยๆหัดถอดปลั๊กหัดดึงปลั๊กออกอยู่เรื่อยๆแล้วเดี๋ยวพอถึงเวลาจะเป็นจะต้องถอดมันก็สามารถถอดได้ให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปแล้วไม่สนใจกับเกี็ดกับเสียงถึงแม้ว่าจะได้ยิน ได้ยินเสียงได้ได้รับกลิ่นก็จะไม่ไม่เดือดร้อนใจจะไม่วุ่นวายไปกับเสียงกับกลิ่นที่ได้รับรู้คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะาการสวดมนต์ประจำวันเช้าเย็นจะได้บุญหรือเปล่าครับก็จะได้สติไ ด, ได้สติแล้วจจะได้ความสงบบ้างบางส่วนใจก็จะเยนจะสบายบุญคือความสุขใจ ความสุขใจนี้เกิดได้หลายทางทำบุญให้ทานนี่ก็เกิดความสุขใจได้นักษาศีลก็เกิดความสุขใจได้ไหว้พระสวดมนต์ทำใจให้สงบมีความสุขก็เกิดความสุขใจได้เหมือนกันคำถามจากสิทธ์ง่เขาในธรรมลูกนั่งบริกรรมพุทโธพุทโธไปช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วลูกมีความรู้สึกว่าจะหายใจไม่ออกลูกพยายามนึกถึงพุทโธพุทโธ แต่ใจวิ่งไปที่กายกับอาการหายใจไม่ออกและความรู้สึกอึดอัดทําให้ลูกสําลักและไอออกมาจึงทําให้การนั่งภาวนาของลูกไม่ต่อเนื่องลูกติดกับอาการนี้มาสักพักใหญ่แล้วค่ะลูกขอขอกลับขอคําแนะนําค่ะก็ลองสวดมนต์ไปก่อนอย่าเพิ่งใช้พุทโธสวดมนต์ไปย้อนนา น, น, านสวดบทที่เราจําได้เพราะบางทีเวลาเวลาที่เราบังคับให้ใจอยู่กับพุทโธนี่มันจะอึดอัด แล้วมันจะต่อต้านมันก็จะสร้างอาการอะไรต่างๆขึ้นมาแต่ถ้าให้มันอยู่กับพุทธสวดมนต์นี่นมันอาจจะไม่ไม่ต่อต้านเพราะมันเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนในเวลาเรานั่งดูหนังนี่ไม่ไม่รู้สึกเปิดอัดเลยนะเพราะมันเป็นเรื่องเป็นราวมันเพลิดเพลินเราก็สามารถใช้ธรรมะให้มันเพลิดเพลินได้เช่นถ้าเรายัางสวดมนต์ไม่ได้เราฟังธรรมไปก่อนก็ได้เปิดเปิด เ ป, เปิดเสียงทรรมแล้วก็นั่งนั่งไปแทนที่จะดูลมหรือ แ, แทนที่จะพุดโธก็ใช้การฟังธรรมเป็นวิธีทาใจให้สงบไปก่อนแล้วพอเราฟังไปสักพักหนึ่งแล้วใจเริ่มเบาเริ่มสบายไม่ต่อต้านเราก็ค่อยมาพุดโธต่อคำ ถ, ถามจากคุณชนะพาเมื่อก่อนชอบติโกรธมากค่ะอะไรนิดหน่อยก็โกรธแล้วมีความหนักจิตหนักาย แต่มาเริ่มภาวนาความหนักแน่นใจก็หายไปเบาลงกดใครก็ไม่อยากเอาชนะเขาคุยกับเขาก็ได้ปกติเป็นเพราะสาเหตุอะไรครับเพราะใจเป็นการไงใจไม่รักไม่ชังใจรับได้ใครพูดอะไรก็เฉยได้ใจเป็นอุเบกขาการนั่งสมาธินี้จะทําให้ใจเป็นอุเบกขาปล่อยวางสักแต่ว่ารู้ ใครจะด่าก็เพียงแต่รับรู้ว่าเขาด่าแต่จะไม่มีความชังเกิดขึ้นจากการที่ได้ยินเสียงด่าเพรใจสงบใจไม่ไม่ตอบโต้พูดง่ายๆถ้าใจไม่สงบนี่อะไรนิดอะไรหน่อยก็โต้อตอบทันทีเลยใครด่าก็อยากจะด่ากลับเลยใครรักเราก็อยากจะรักกลับไปเลยมันจะตอบโต้ทันที แต่ถ้าเราฝึกทำสมาธิบ่อยๆแล้วใจมันจะนิ่งจะเฉยรับรู้แต่ไม่เฉยเมยไม่เฉยเพียงแต่ว่าไม่โต้อตอบถ้าจะโต้อตอบก็ใช้เหตุผลวิเคราะห์ก่อนว่าควรจะตอบโต อ, อย่างไรดีคำถามจากคุณน้ำพลค่ะเบาหวานความดันโรงหัวใจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมหรือเปล่าครับถ้าหากปืนทนสังขารต่อไป ทั้งที่ทราบว่าเป็นโลกที่มีอาการร้ารแงเพื่อการปฏิบัติจะเกิดผลอย่างไรครับความจริงโรคของร่างกายนี้มันก็ไม่น่ามีเป็นอุปสรรคเราเพราะว่าเวลาเราปฏิบัตินี้เราปฏิบัติที่ใจเช่นเราเราถ้าเรายังนั่งสมาธิได้เราก็นั่งไปเป็นเบาหวานก็นั่งสมาธิได้เป็นความดันก็นั่งได้ถ้าเรารู้จักควบคุม น้ำตาลควบคุมความดันมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคก็คือความขี้เกียจมากกว่าน่าจะกลัวตัวนี้มากกว่าแต่ตัวนี้ยตัวร้ายกาจไม่ค่อยกลัวกันไปกลัวโรคเบาหวานโรคความดันคบถามจากคุณสิริความรักความชังที่มีอยู่ที่เจออยู่ประจาในแต่ละวัน ลูขอทำมาที่จะอยู่กับมันอย่างไม่เป็นโทษด้วยค่ะก็ต้องฝึกทําสมาธิแล้วเราจะไม่รักไม่ชังเราก็จะไม่เกิดโทษโทษมันเกิดจากเวลาที่เรารักเราชังพอเรารักเราก็จะต้องไปเอาสิ่งที่เรารักให้ได้ถ้าจะต้องตบต้องตีใครก็ต้องขอตบขอตีชังก็เหมือนกันเวลาเกลียดใครเจอเห็นเจอคนเกลียดก็อยากจะตบจะตีเขาเนี่ยเพราะใจเรามันไม่มันไม่เป็นกลางมันไม่เป็นมันไม่เป็นอุเบกขา ถ้าเราฝึกสมาธิแล้วใจเราจะเฉยแล้วเวลาเจอใครก็จะไม่รักไม่ชังเราก็ไม่ต้องไปทาอะไรที่จะเกิดโทษตามมาดงั้นฝึกสติบ่อยๆนั่งสมาธิบ่อยๆแล้วใจจะใจจะเย็นใจจะสบายใจจะไม่ตอบโต้ไม่รักไม่ชังง่ายคำถามจากคุณนารามนโนกรรมวจีกรรมกายกรรมเมื่อทำหิบแล้ว ได้ผลมากที่สุดหรือว่าเหมือนกันครับอ๋อผู้ที่ทํากับผู้รับผลคือใจร่างกายเป็นเพียงแต่ผู้รับคําสั่งไปทำเท่านั้นเองแล้วผลที่รับที่ทางร่างกายก็ไม่ไ ม, ไ, มไม่มีน้ําหนักเหมือนกับผลที่รับทางใจเวลาเราทําบาปเนี่ยใจเราจะทุกข์มากถึงแม้ว่าร่างกายอาจจะถูกจับขังคุกขังตารางร่างกายมันก็ยังกินได้นอนได้ยังอะไรได้อยู่ แต่ตัวที่ทุกจริงๆก็คือใจเพราะว่าไม่มีอิสระภาพแล้วจะไปเที่ยวก็ไม่ได้จะไปทําอะไรก็ไม่ได้ดังนั้นร่างกายนี้ไม่ได้เป็นตัวรับผลบุญผลบาปอย่างแท้จริงผู้ที่รับผลบุญผลบาปนี้ก็คือใจใจก็คือผู้ผู้ทําทางมโนกรรมมโนกรรมก็คือความคิดเราคิดจะไปฆ่าคนนี้มันก็เป็นมโนกรรมนะ แล้วเราก็สั่งไปที่ร่างกายให้ไปทำร่างกายก็ไปฆ่าเพราะร่างกายฆ่าตำรวจมาจับเขาก็ต้องจับร่างกายไปขังคุกและผู้ที่ทุกข์ก็ไม่ใช่ร่างกายอยู่ในคุกร่างกายก็ยังทำอะไรได้อยู่แต่ผู้ที่ทุกข์ก็คือใจเพราะไม่สามารถไปทำอะไรได้แล้วอยากจะไปเที่ยวก็ไปเที่ย ว, ไ, ยวไม่ได้งนั้นผู้ที่ทำบุญหรือทาบาปและผู้ที่รับผลบุญผลบาปที่แท้จริงก็คือใจ ก็คือความสุขด้วยความทุกข์ใจถ้าทําบุญก็จะได้รับความสุขใจถ้าทําบาปก็จะได้รับความทุกข์ใจแล้วถ้าตายไปความสุขใจทุกข์ใจนี้ก็จะกลายเป็นเหมือนความฝันไปเวลาเหมือนนอนหลับฝันไปความสุขใจก็จะฝันว่าเราไปเที่ยวไปมีความสุขกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ บ, นนนบุคคล น, นั้นบุคคลนี้ถ้าฝันไล่ก็เรากําลังไปมีเรื่องมีรามี ทุ ก, กับคนนั่นคนนี้กับเรื่องนั่นเรื่องนี้คำ <Yeah. S 3> ถามจากผู้ประสงค์ออกนามมีคนไข้คนหนึ่งตั้งท้องแล้วลูกในครรภมีความผิดปกติอย่างรุนแรงอาจารย์หมอทุกแผนกลงความเห็นว่าต้องเอาเด็กออกเพื่อรักษาชีวิตแม่ไว้แต่คนที่ลงมือเนบยาคือแพทย์ผึดหัดซึ่งเขาไม่อยากทำอย่างยิ่ง อยากเรียนถามหลวงปู่ว่ากรรมจะตกอยู่กับใครมากที่สุดครับระหว่างคนที่ตังพ่อแม่เด็กหรือแพทย์ผิดผักที่ไม่อยากจะทาถ้าแพทย์คนนั้นเขาเลี่ยงไม่ได้จริงๆควรจะต้องจิงจต อ, จอย่างไรครับก็อยู่ที่คนที่ได้รับประโยชน์ใครได้รับประโยชน์คนนั้นก็ก็ต้องได้รับโทษด้วยจากการกระทําทําเองก็ดีสั่งให้เขาทาก็ดี คนที่สั่งถึงแม้ไม่ได้ทำเองแต่ได้รับประโยชน์จากการสั่งเขาก็ต้องมีได้รับผลบาปเหมือนกับคนที่ทำมันอยู่ที่ว่าใครได้รับประโยชน์มากกว่ากันคนรับประโยชน์มากกว่าก็ต้องบาป ก, ก็ต้องบาปมากกว่าคนที่ได้รับประโยชน์น้อยกว่าเราดูที่ประโยชน์ที่ได้ที่จะได้รับจากการกระทำบาปคำถามจากคุณตา เราพิจารณาแล้วว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราก็จะไม่ยึดติดกับกายคงเหลือไว้แค่จิตแล้วในที่สุดของการพิจารณา t h พิจารณา น, านี้จิตจะมีตัวตนจะใช่จิตของเราไหมคะเราก็ต้องถามดูว่าตัวตนมันเป็นอะไรตัวตนมันอยู่ตรงไหนก็ค้นหาดูในจิตมันก็ไม่มีมันก็จะรู้ว่าตัวตนเป็นของหลอกเป็นของที่จิตหลอกขึ้นมาคิดขึ้นมาเอง เพราะที่มีอยู่ในจิตก็มีแค่ตัวรู้เท่านั้นเองตัวรู้ก็ไม่ใช่ตัวตนตัวตนมันเกิดจากตัวคิดไงพอเราคิดว่าเราเป็นเรามันก็มาเราก็เป็นเราขึ้นมาพอเราหยุดคิดตัวความว่าเรามันก็หายไปเวลานั่งสมาธิตัวคิดหายไปตัวตนหายไปก็เหลือแต่ตัวรู้เราก็จะรู้ว่าออกตัวที่แท้จริงของเราก็คือตัวรู้ ส่วนตัวเราตัวที่เราคิดนี้เป็นตัวที่เราคิดขึ้นมาเองเท่านั้นเองงั้นต่อไปแทนที่เราจะเป็นตัวตนเราก็จะเป็นตัวรู้เวลาใครด่าเราเราก็เพียงแต่รับรู้ไปถ้าเราไปด่าเขากลับนี่แสดงว่าเราเป็นตัวตนละมีตัวตนขึ้นมาแล้วมีตัวตนที่จะไปตอบโต้เขาแต่ถ้าเราเป็นตัวรู้เราก็เพียงแต่รู้ไปเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าถึงสอนให้สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยิน ได้ยินเสียงด่าก็สักแต่ว่าได้ยินไม่มีคนรับไม่มีตัวรับตัวตนไม่มีตัวตนรับมีแต่ตัวรู้รักตัวรู้ไม่ตอบโต้ตัวตนจะตอบโต้ถ้ายังมีการตอบโต้อยู่ก็แสดงว่ายังมีตัวยังหลงอยู่ยังหลงกับตัวตนอยู่ถ้าไม่หลงก็จะไม่ตอบโต้กับใครก็จะรู้เฉยๆไปหรือว่าเขาด่าแเราแล้วห้ามเขาได้เปล่าสั่งเขาได้เปล่าก็สั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้แล้วไปตอบโต้ให้เหนื่อยทาไมใช่ไหม ตอบโต้ตก็ยิ่งทำให้เขาด่าเรามากขึ้นถ้าเขาดา่าเราเราด่ากลับเดี๋ยวเขาก็ต้องด่ากลับมาใช่ไหมถ้าเรานั่งดา่าไอ้ต้นเสานี่ดูนะัมันจะตอบโต้เราไหมดาม่ามสักพักเดียวเราก็เหนื่อยเราก็หยุดไปเองอ่ะเนี่ยนะทําตัวให้เป็นเหมือนต้นเสาเขาจะดา่าก็สักแต่ว่ารู้ไปไม่รู้ไม่ชี้ไปเอปล่อยเขาด่าไ ป, ไปเดี๋ยวเ้าเหนื่อยเขาก็หยุดเองอ่ะใช่ไหมหรือ เ, เขาจะทุบตีเราก็ปล่อยเขาทุบตีไป เดี๋ยก็หมดแรงเขาก็หยุดทุบตีเองร้อยังไงก็ตั้งตายอยู่ดีจะตายด้วยถูกเขาทุบตีแล้วตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บหรือตอนตายเพราะอายุขายไขมันก็ตายเหมือนกันแล้วที่ตายก็ไม่ใช่เราเอะเราไม่กลัวทําไมเราเป็นตัวรู้เราไม่ได้เป็นร่างกายนี่คกถ้าพิจารณาถึงขั้นนั้นนะแต่ไม่ใช่พิจารณาเฉยๆนะถึงเวลาเราต้องทําได้นะ เวลาพิจารณาพิจารณาได้พอถึเงเวลานี้ไม่ได้ลใครมาแตะไม่ได้เลยแม้แต่ร่างกายยังแตะไม่ได้เลยพอสิวขึ้นมาทั้งเม็ดหนึ่งก็วุ่นแล้วนะพิจารณาร่างกายไม่ใช่ของเราแต่พอสิวขึ้นมาเม็ดหนึ่งในวุ่นนะ้อันนี้เลยว่าไม่ได้ยังไม่จะเป็นของจริงรู้ยังรู้ไม่จริงรู้รู้รู้แต่ทําทําไม่ได้เอ หรือว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ไม่เป็นตัวเราแต่ยังปล่อยมันไม่ได้ยังอดที่จะรักษามันไม่ได้ยังขวงมันอยู่นั้นการคิดกับการจะทํามันไม่เหมือนกันแต่ต้องคิดก่อนต้องสอนใจก่อนแล้วก็ค่อยหัดไปทําอีกทีเวลาไปวิตกกังวลกับร่างกายก็บอกเอ้ยมันไม่ใช่ตัวเรานะช่างมันเถิดถ้าปัญญามาทานก็อปล่อยสิวเม็ดเดียวช่างมันแต่เดี๋ยวเกิดมาแล้เดี๋ยวมันก็ดับ ไม่กี่วันมันก็แตกเอาอว่าคำถามจากคุณทั ญ, ญรัตน์ลูกสาวอายุเก้าขวบค่ะมักจะฝันว่าได้ขึ้นไปสวรรค์บางทีก็ได้ตักบารพระพุทธเจ้าและพระสง์ที่ละสังาภัยแล้วขอชอบมาเล่าเรื่องเทวดาเทพต่างๆให้ฟังบ่อยๆ ว่าเขาจะสับสนเราจะสอนลูกอย่างไรดีคะก็ไม่ต้องสอนนะ่ะเขาฝันก็เรื่องของเขาแสดงว่าเป็นบุญของเขาเขาฝันดีก็บุญทําให้เขาฝันดีเขาทำความดีมาเหมือนกับเราไปถ่ายวีดีโอภาพ ส, ยสวยๆงามๆเวลาเรามาใช้ที่บ้านมันก็มีแต่ภาพสวยๆงามๆให้เราดูใช่ไหมถ้าเราไปถ่ายภาพไม่น่าดูเวลาเอากลับมาถ่ายที่บ้านมันก็มีแต่ภาพไม่น่าดูให้เราดูการกระทําของเราก็เป็นเหมือนกับการไปถ่ายวีดีโอเนี่ย เวลาเราไปทำบาปมันก็บ <ida> well. ันทึกท like ุกอย่างที่เราได้กระทำไว้เวลาเราทำบุญทำความดีมันก็บันทึกไว้ในใจเราพอเวลานอนหลับมันก็ฉายมาให้เราดูอย่างนั้นมันมันห้ามไม่ได้เวลาเรานอนหลับเราไปสั่งให้มันฝันเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้วันนี้จะดูวันนี้จะดูหนังเรื่องนั้นดูหนังเรื่องนี้ได้ป่ะมันสั่งไม่ได้หรอกมันเป็นไปตามกาลังของบุญของบาปที่เราทาไว้ตัวไหนมีกาลังมากมันก็จะโผล่มาก่อน ถามจากคุณตูนเวลาทําบุญทุกครั้งจะที่ฐานทําบุญแทนแม่แม่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะแม่จะได้บุญไหมคะไม่ได้หรอกถ้าเป็นเงินของเราเป็นเจตนาของเราแม่จะได้ต่อเมื่อเป็นเงินของแม่แล้วเป็นเจตนาของแม่เช่นแม่บอกลูกช่วยเอาเงินนี้ไปทําบุญให้แม่หน่อยแม่ไปไม่ไปวัดไม่ได้อย่างเงี้ยแม่ก็จะได้ร้อยเอร์ซ็นตแต่ถ้าเป็นเงินของเราเป็นเจตนาของเราแม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่ได้หรอก คำถามจากคุณโดราแมวแถวบ้านถูกแมวตัวอื่นกัดบาดเจ็บเห็นแล้วสงสารกลัวโดนกัดซ้ำก็เลยเอามาขังไว้ในห้องน้ำเพราะกลัวเขาเดินไปทั่วบ้านตอนเช้าก็ปล่อยค่ะอย่างนี้บาปไหมคะไม่บาปหรอกก็เพียงแต่ช่วยเขานี่จะบาปตรงไหนล่ะ <c oughs> คำถามจากคุณธนรงค์ขอโค่ะคถามจากคุณจิตร เลโยคะต้องอยู่กับลมหายใจเรียกว่าเป็นการเจริญอาณาปนานสติได้ไหมเจ้าคะได้ถ้าเราไม่ไปคิดเรื่องอื่นแต่ถ้าเราคิดเรื่องอื่นก็ยังถือว่าไม่ไม่ไม่เป็นอาณาปนานสติอย่างแท้จริงถ้าเป็นอาณาปนานสตินี่ต้องอยู่กับลมหายใจเพียงอย่างเดียวคําถามจากคุณครูผู้พิพากษาที่ตัดสินประหารชีวิตนักโทษจัดว่าเป็นบาปไหมครับก็มีส่วนเพราะเป็นคนสั่งให้เขาอ สั่งให้เขาถูกลงโทษเพราะว่าได้ประโยชน์ได้เงินเดือนเนจากการเป็นผู้พิพากษาดังั้นการที่เราเราทําอะไรแล้วเราได้รับประโยชน์นี่ก็บาปทั้งนั้นเนาา่ะเป็นทหารเป็นตำรวจนี่ก็บาปเพราะมีได้รับประโยชน์เ <c oughs> พีงเยงแต่บาปมันหนักบรรเบาต่างกันนั่เองถ้าทําด้วยด้วยความดําฤทิ์ของตนเองด้วยความโกรธความเกลียดอันนี้จะหนักกว่า กว่าการทำตามหน้าที่ทำหน้าที่นี้บาปมันเบาเพราะเราไม่ได้ทำออกจากเจตนาของเราแต่เราก็ยังเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการทำบาปนี้อยู่ถึงแม้เราไม่ได้ทำเองแต่เราก็มีส่วนในขบวนการที่จะทำให้เกิดการฆ่าขึ้นมาถ้าไม่อยากจะรับผลบาปก็ไปเป็นพรนะเนี <c> ่ย <oughs> ถ้าเป็นยอมนี่มันมันเสี่ยงต่อการทำบาป ม, ม้นมันมันต้องมีอะไรให้ทำอยู่เรื่อยๆคำถามจับคุณใช่การที่เราพูดในสิ่งที่ถูกต้องแล้วไม่ถูกใจผู้บุคคลผู้มีพระคุณแล้วก็เลยไม่แน่ใจว่าควรปฏิบัติตนอย่างไรต่อคะ่ะเกิดความสงสัยคะ่ะกับการที่ต้องปฏิบัติตนระหว่างบุตรกับผู้มีพระคุณขอแนวทางด้วยค่ะ ก็ต้องระมัดระวังกับผู้ที่มีพระคุณอย่าไปทำให้ท่านเสียใจถึงแม้ถ้าพูดเป็นความจริงแต่ไม่ควถ้าพูดแล้วทำให้ท่านไม่สบายใจก็อย่าพูดแต่อย่าไปโกหกคือไม่ให้โกหกแต่ก็ไม่ให้พูดถ้าพูดแล้วมันทำให้เกิดเกิดความเสียหายต่อผู้อื่นถึงแม้ว่าจะเป็นความจริงก็ไม่ควรพูดอยู่เฉย แต่อยโกหกโกหก ก, หก็ผิดพูดความจริงแล้วเกิดความเสียหายก็ผิดก็ไม่ดีเพราะมันชู้อย่าพูดดีกว่าคำถามจากคุณสุมาศส ม, มะถะกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานต่างกันตรงไหนครับและวิธีเริ่มควรเริ่มทำอะไรก่อนครับคือกรรมฐานนี้เป็นอารมณ์ที่จะทำให้ใจสงบหรือทำให้ใจฉลาด อารมณ์ที่ทําให้ใจสงบเรียกว่าส ม, มถกรรมฐานอารมณ์ที่ทําให้ใจเกิดปัญญาเกิดความรู้ความฉลาดเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานเช่นอะไรเป็นส ม, มถกรรมฐานเช่นคาบริกรรมพุทโธพุทโธนี่เป็นส ม, มถกรรมฐานเพราะว่าเราบริกรรมพุทโธไปแล้วใจเราก็จะสงบนิ่งเยน็นสบายแต่ไม่เกิดปัญญาไม่เกิดความรู้อะไรถ้าอยากจะได้ความรู้ ก็ใช้อาการสาเป็นอารมณ์ของการภาวนาพิจารณาอากา ร, าการดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอาการทั้งสาไปท่องไปก่อนก็ได้ท่องไปนึกถึงภาพไปใจก็จะเห็นความจริงของร่างกายว่าร่างกายนี้นอกจากส่วนที่เราเห็นภายนอกแล้วยังมีส่วนที่เราไม่เห็นภายในเยอะแยะทำให้เราหูตาสว่างขึ้น เวลาเราลาักใครเราอาจจะเลิกลักเขาเลยก็ได้ถ้าไปเห็นกระดูกเห็นลำไส้เห็นปอดเห็นไตเห็นอุจจาระเห็นปัสสาวะของเขานมันอันนี้ก็เป็นวิปัสสนากรรมฐานทำให้เราหูตาสว่างทำให้เราหายหลงทุกวันนี้ที่เราลักคนนั้นคนนี้เรากำลังหลงรู้ปล่าเพราะเราไปคิดว่าเขาสวยเขางามเขาหน้ารักหน้าดูหน้าชมเพราะเราเห็นแต่ส่วนภายนอก ส่วนที่ถูกปกปิดหุ้มห่อด้วยหนังนี้เรามองไม่เห็นกันแต่ถ้าเราใช้กรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานคือเราลึกถึงอาการต่างๆเหล่านี้บ่อยๆต่อไปเวลาเราเห็นใครเราจะเห็นทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังเลยจะเห็นอาการอวัยวะต่างๆมันก็จะทำให้เราหายหลงพอเราไม่หลงเราก็จะไม่รักไขรอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่กับผีอยู่ไปทาไม ผีทั้งนั้นอ่ะเป็นผีหายใจเวลา ย, ยังหายใจก็ไม่กลัวพอไม่หายใจแล้วกลัวกันเลยส่งให้สับเปล่าส่งไปวัดกันเลยเวลา ย, ยังหายใจนี่ห่วงทั้งห่วงทั้งรักเลยคำถามจาคุณโถก่อนจะบวชละอะไรก่อนเป็นลําดับครับเอก็ทั้องละไอ้พวกรูปเสียงกินรถให้ได้ละการเที่ยวไปบาไปผับเนี่ย ไปร่วมดับนอนกับคนนั้นคนนี้ต้องเลิกก่อนถึงจะบวชได้พอไปบวชนี่เขาห้ามเขาให้ถือศีลห้ามเที่ยวห้ามเสพรูปเสียงกิน่นลดโพธิภพถ้ายังละสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เดี๋ยวไปบวชก็แหกเแหกข้อเองเครับที่ถูกจับสึกใช่ไหมที่เป็นข่าวหน้าหนึ่งอยูอ่เรื่อยเนี่ยเพราะยังเลิกเลิกเที่ยวศีกาไม่ได้ตอนคืนก็หาหมวกใส่หาเสื้อใส่ออกไป ขี่มอเตอร์ไซออกไปคำถามจากคุณน้ำใสนำปลาไหลมาฆ่าเพื่อประกอบอาหารถือว่าเป็นบาปโดยเจตนาหรือเปล่าคะนำปลาไหลมาฆ่าก็ใครเป็นคนสั่งให้เอามาละก็เราสั่งไม่ใช้เห เราสั่งตัวเองก็สแสดงว่าเรามีเจตนาที่จะฆ่ามันนะแล้วถ้าไปเจอปลาหลายตายอยู่ในในในน้ำเนี้ยแล้วหยิบมากินเนี้ยไม่ไม่บาปถ้าไปเจอของตายแล้วแต่มันยังสดอยู่ยังไม่เน่าอยากจะมาทําเป็นอาหารนี่ไม่บาปแต่ถ้ามันยังมีชีวิตอยู่แล้วไปทําให้มันตายเนี่ย<ม>บาปแม้แต่ไปล่าอาหารเนี่ยเขามีบ่อปลาถังถังปลาให้เราไปเลือกเอาเอ า, เอาตัวนั้นตัวนี้นี้ก็บาป แต่ถ้าเป็นของที่เขาตายแล้วเขาข้าขาาแล้วแล้วเขาทำมาให้เรากินนี่ไม่บาปคำถามจักพุนาราสิ่งที่ไม่ควรคิดมีอะไรบ้างครับก็สิ่งที่เป็นโทษกับใจคิดแล้วทำให้ใจเราทุกข์ก็ไม่ควรคิดเช่นคิดอะไรแล้วทำให้เราทุกข์คิดว่าเป็นของเราพอเราคิดเป็นของเราเราจะทุกข์ทันทีเพราะเราจะหวงเราจะหวง เราจะอยากให้เป็นของเราไปเรื่อยๆนแต่ความจริงแล้วไม่มีอะไรเป็นของเราดังั้นถ้าอยากจะคิดให้คิดว่ามันไม่ได้เป็นของเราแล้วเราจะไม่ไม่หวงไม่ห่วงเราจะไม่ทุกข์เช่นของคนอื่นนี่เป็นอะไรเราทุกข์ไหมบ้านคนอื่นไฟไหม้เราจะทุกข์ไหมบ้านคนอื่นขโมยขึ้นบ้านเราจะทุกข์ไหมไม่ทุกข์เพราะไม่ใช่เป็นบ้านของเราเห็นไม่ใช่เป็นของของเราเราก็ต้องมองว่าบ้านที่เราอยู่นี่ก็ไม่ใช่เป็นของเราเพราะไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องจากมันไปไม่ใช่เลยือ เราก็าต้องทิ้งมันอยู่ดีดนั้นให้มองว่ามันไม่ได้เป็นของเราแล้วเราจะไม่ทุกข์กับอะไรคําถามจากคุณชินการนั่งอานาปนาสติต้องอยู่ในอารมณ์ของการดูลมอารมณ์นี้เหมือนกับอารมณ์รักโกรธหรือเปล่าเจ้าคะไม่หรออันนี้ดูเฉยๆดูโด ย, ดยโดยโด ย, โดยไม่มีอารมณ์ดูเฉยๆเพราะลมนี่มันไม่ทําให้เกิดรักเกิดชังขึ้นมา เราดูลมเท่าไหร่มันก็ไม่รักมันไม่ชังมันไม่เหมือนกับดูหน้าคนนั้นดูหน้าคนนี้ใช่ไหมดูหน้าคนนี้ก็รักขึ้นมาดูหน้าคนนี้ก็ชังขึ้นมาถึงใช้เป็นอารมณ์กรรมฐานไม่ได้อารมณ์ของส ม, มะถะไม่ได้ต้องใช้อารมณ์ที่เป็นกลางเช่นพุทโธนี้ก็เป็นอารมณ์กลางคิดถึงพุทโธไปเท่าไหร่ก็ไม่มีรักไม่มีชังแต่ถ้าคิดถึงเงินนี้เดี๋ยวรักขึ้นมาแล้วชัง <laughs> ห่วงขึ้นมาแล้ว ดังนนอารมณ์ที่จะใช้เป็นสมถะนี่ต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ทําให้เกิดลากเกิดชังขึ้นมาคำ ถ, ถามจากคุณวันดีวิบากกรรมกับยถากรรมต่างกันอย่างไรคะวิบากแปลว่าผลที่เกิดจากการกระทําของเราเป็นทั้งบุญทั้งบาปทําบุญก็มีวิบากทํากรรมก็มีวิบากแต่เพียงแต่เรามักจะใช้คําว่า ว, วิบากกับบาปที่เราทำแต่บุญเรามักจะเรียกว่าอ อนิสงผลบุญแต่มันก็เหมือนกันคือแปลว่าเป็นผลวิบากกรรมแปลว่าเป็นผลของกรรมยะถากรรมก็คือปล่อยให้มันเป็นไปตามตามบุญตามกรรมยะถาแปลว่าปล่อยมันไปตามบุญตามกรรมอะไรจะเกิดก็เกิดใครจะด่าก็ปล่อยเขาด่าไปใครก็จะรักเราก็ปล่อยเขารักไปเราไม่ต้องไปวุ่นวายไปกับเขาเรียกว่าปล่อยไปตามยะถากรรม ถามจากคุณดีบค่ะอวิชชาคือตัวหลงรู้ที่สถาปนาจิตใจธาตุขันทุกสิ่งว่ามีตัวของตัวหรือเปล่าครับอวิชชาก็คือความหลงเนี่ยยกตัวอย่างเมื่อก่อนคนโบราณ น, นี้จะคิดว่าโลกนี้แบนใช่ไหมพอกองคิดมองไปก็เห็นมันแบนเนี่ยอันนี้ก็เป็นความหลงอวิชชาไม่รู้ความจริง ต่อมามีนักวิทยาศาสตร์ก็มาค้นคว้าก็ค้นคว้าว่ามันไม่มันไม่แบนเพราะเวลาเรือมันวิ่งเข้ามาจากทะเลนี่ทําไมมันไม่เห็นพร้อมกันหมดถ้ามันแบนมันถ้ามันพื้นมันราบมันก็ต้องเห็นพร้อมกันหมดถ้ามัเห็นแค่เสากระโดงก่อนแล้วก็เห็นตัวเรือก็แสดงว่าพื้นมันไม่ราบละพื้นมันไม่ไม่แบนนะพื้นมันโค้งมันเวาเขาก็เลยพิสูจน์ว่าโลกมันไม่แบนโลกมันกลมแล้วนั่งเรือไปจาก ไปทิศนี้ไปตลอดเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลับมาที่เดิมได้ก็เหมือนกับวงกลมใช่ไหมเราเดินไปตามวงกลมเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะกลับมาจุดที่เราเริ่มต้นได้ก็แสดงว่ามันกลมโลกนี้มันก็กลมเขาพิสูจน์แล้วเขาปล่อยเรือให้นั่งเรือไปวิ่งไปทางทิศตะวันตกไปไม่ต้องไปเปลี่ยนทิศเนี่ยเราเดิ๋ยมันก็จะกลับมาสู่ที่เดิมได้อันนี้ก็เป็นการกล้าอวิชาอวิชาเป็นความหลงเป็นความเข้าใจผิดนะ เราก็ต้องเอาความจริงมาแก่ตอนนี้พวกเราก็มีความหนงที่คิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเราต้องมาแก้ความหนงนี้ด้วยการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิแยกร่างกายออกจากใจให้ได้แล้วเราก็จะรู้ว่าร่างกายกับใจเป็นคนละส่วนกันนี่ก็คือแก้อวิชชาพอแล้วยังออพอนะใครอยากจะถามอะไรไหมลูกชายส นั่งๆหน่อยได้ไหมแต่ปัจจัยก็ให้แม่ทุกเดือนเลยแม่ก็เอามาทําบุญอ่าเขาได้บุญแล้วล่ะเงินที่เขาให้แม่นี่ยเขาก็ได้บุญแล้วได้จากแม่ไม่ได้จากที่เขาเสียสละเงินนี้ให้กับแม่ไงเป็นทานแล้วทําทานแล้วส่วนแม่จะไปเที่ยวไปกินเอาไปทําบุญนี้ไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับเขาแล้วอันนี้เกี่ยวกับแม่โดยตรงนะถ้าแม่เอามาทําบุญแม่ก็ได้คนเดียวลูกไม่ได้แล้วเพราะเขาได้ไปแล้ว น, นัน บ, บ, บมมมไม่ไ ด, ไได้แล้วก็อเราก็ให้เมตตาเขาอยู่แล้วไม่ต้องไปแผ่เลย <c oughs> ใช่ไหมเราเลี้ยงเขานี้่ก็ให้ความเมตตาเขาอยู่แล้วที่แผ่นี้เป็นการสอนให้ให้รู้จักแผ่ไมให้ลืมแผ่ <c oughs> แต่เวลาอยู่คนเดียวไม่ได้แผ่ให้ใครเวลาไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วก็สวดแผ่เมตตานี้ยังไม่ได้แผ่ให้ใครเป็นการเตือนใจเราว่าเราต้องแผ่เมตตาเวลาที่เราเจอกันไม่ใช่แผ่ตอนที่อยู่คนเดียว เนี่ยตอนนี้เรามาแผ่เมตตากันโยมก็ไม่ด่าเราเราก็ไม่อยาดเราก็ไม่ด่าโยมเรียกว่าแผ่เมตตาถ้ามานั่งทะเลาะ ก, กันมาหน้าดํำขําเครียดเนี่ยด่ากันไปด่ากันมานี่ไม่ได้แผ่เมตตาแล้วเข้าใจไห ม, มเวลาที่ส่วนมนต์ไหว้พระเสร็จแผ่เมตตานี่เป็นการสอนเป็นการเตือนใจอย่าอย่าลืมแผ่เมตตานะเวลาพบปะกั น, นความหมายว่าอย่างนั้นตอนนั้นไม่ได้แผ่ให้ใครเพราะไม่มีใครรอรับอยู่ การกดน้ำนี้กดใหญาติพี่น้องที่เสียชีวิตไปแล้วว่าต้องคนตายต้องคนตายแล้วต้องเขาเขาต้องมาขอก็ต้องมารอรับบางทีเขาตายไปแล้วเขาไปสวรรค์แล้วเขาก็ไม่มารอรับส่วนบุญนี้ <c oughs> แล้วก็อุทิศให้กับสรรพสัตว์ไปพวกที่ไม่มีญาติดวงวิญญาณที่ไม่มีญาติหรือญาติที่ไม่เชื่อเริ่มบุญเริ่มบาปเขาก็อาจจะไม่ได้ทําบุญส่งไปให้เราก็ส่งไปแทนเขาอย่างที่หลวงตาท่านสอนให้ญาติโยมมาทําบุญวันที่สามสิบพฤษภา เพราะท่านทําให้แม่ท่านท่านก็เลยชวนญาติโยมมาทําให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีญาติพี่น้องส่งบุญไปให้กวนน้ำด้วยจิตจะ ก, กวนน้ำด้วยน้ำเอาน้ําไม่ต้องหรอกน้ำไม่ใช่ตัวบุญตัวบุญอยู่ในจิตออความรู้สึกที่เกิดจากเราทําบุญเวลาทําบุญเราจะสุขใจอิ่มใจอันนั้นแหละเป็นอาหารของดวงดวงวิญญาณที่เขาจะรับได้อ่าทางจิ ต, เ, ออจตเราเลึกไปในจิตว่าข้าพเจ้าขอทิศ ส่วนบุญอันนี้ให้แก่บุคคลนั้นบุคคลนี้ชื่อนั้นชื่อนี้ถ้าเขาไม่รับถ้าเขาไม่ไม่ได้มารับก็ขอให้เป็นของสรรพสัตว์ไปของผู้ใดที่เรารับอยู่ก็ขอให้เขารับไปแทนเอยงนั้นนะเดี๋ยวอให้เราให้พรก่อนให้เราให้พรก่อนอย่าเพิ่งไปอก็พอสมควรแก่เวลา ก็ขอให้ญาติโยมนำเราสิ่งที่ได้ยินด้วยฟังในวันนี้ไปพิณิชปิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอ